อาจารย์ครับรักการครับผมอจะเดินทำทุกท่านหวังว่าคง จ, จะสบายดีกันทุกท่านสบายดีครับอาจารย์ครับอาจารย์แข็งแรงนะครับท่านขันยังเป็นยังยังพอเอาได้ยังพอทหลายได้ครับผมโหวันที่คนมารอเจ็ดร้อยกว่าคนแล้วครับอาจารย์เร็วมากเลยเปิดรายการขึ้นมาอืม งั้นผมขอโอกาสพระอาจารย์ถามคำถามแรกเส้นเคยนะครับพระอาจารย์ครับอันนี้เป็นคำถามที่ผมว่าหลายคนอยากรู้มากเลยครับก็คือตายแล้วศูนย์หรือตายแล้วเกิดอีกครับพระอาจารย์ครับขอบคุณตาพระอาจารย์ครับความจริงมันเป็นทั้งสองอย่างนะครับเพราะว่าชีวิตของพวกเรานี้ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกันคือร่างกายกับจิตใจค ร, ร่างกายนี้ตายแล้วก็ศูนย์ ร่างกายนี้ก็ย่อยสลายกับพืนสู่ธาตุสี่ที่น้นําลงไฟไปอทําผิดทําถูกก็ไม่สามารถรับผลของการกระทาผิดถูกได้จะให้รางวายคนตายคนตายเขาก็ลุกขึ้นมารับไม่ได้จะจับคนตายไปขังไว้ในคุกก็จับไปไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนร่างกายนี้เมื่อร่างกายนี้ตายแล้วทุกอย่างก็สูนที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย ร่างกายก็กลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสูญสลายกลับคืนไปสู่ธาตุเดิม<ะ>แต่ส่วนเ็กส่วนหนึ่งคือใจที่เป็นธาตุรู้นี่เร็วจิตใจเนี่ยเราเรียกว่าพอร่างกายตายไปเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณนี้ไม่ตายดวงวิญญาณนี่พูดไปไปเกิดใหม่ต่อไปไปรอรับร่างกายอันใหม่ที่พ่อแม่คนใหม่ จะสร้างขึ้นมาแต่ก่อนที่จะไปรับร่างกายอันใหม่ก็ต้องรับผลบุญผลบาปที่ได้กระทําไว้ก่อนครับผมถ้าเป็นผลบาปมากกว่าผลบุญใจก็จะร้อนใจก็จะทุกข์เราก็เรียกว่าใจที่จะอยู่ในอบายถ้าผลบุญมากกว่าผลบาปใจก็จะเย็นใจก็จะอยู่ในสวรรค์เรียกว่าเป็นเป็นสวรรค์นะ ไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสถานภาพของใจเหมือนตามอุณหภูมิของใจเนี่ยเหมือนใ จ, จเปรียบเทียบเหมือนกับแก้วน้ําเนี่ยถ้าเราเทน้าร้อนเข้าไปอยู่เรื่อยๆ เ, เราวัดอุณหภูมิดูมันก็จะร้อนใช่ไหมแต่ถ้าเราเทน้ําเย็นเข้าไปอยู่เรื่อยมันก็จะเย็นเวลาเราทําบุญ น, นี้เหมือนกับเราเทน้ําเย็นเข้าไปในใจเราสังเกตุวเวลาทําบุญใจจะเย็นใจจะสบาย เวลาทําบาปแล้วใจจะร้อนใจจะวุ่นวาย forwards. ทุกครั้งที่เราทําบุญนี้ก็เหมือนเราเทน้ําเย็นเข้าไปในใจทุกครั้งที่เราทําบาปก็เหมือนกับเราเทน้ําร้อนเข้าไปในใจก็เหมือนเทน้ําน้ําเย็นกับน้ําร้อนเข้าไปในแก้วเดียวกันมันก็ต้องสู Bradley. ้ก no ันใช่ไหมอุณหภูมิของเย็นกับร้อนมัก็จะต้องสู้กันเวลาเวลาที่ตายไปอุณหภูมิของของน้ำหรือของใจนี่ก็ อยู่ที่ว่ามันจะร้อนหรือเย็นนี่พระเจ้าจึงสอนให้พวกเราพยายามสร้างอุณภูมิความเย็นให้กับจิตใจด้วยการทำบุญรั<ฆ>ะการกระทำบาปอย่าเทความร้อนเข้าไปในใจเพราะจะทำให้ใจทุกร้อนนั่นเองทำบุญจะทาให้ใจเย็นใจสบาย<ฆ>นั่นหลักคือสถานะภาพของใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว<ฆ>ใจยังอยู่ต่อแล้วก็รัก รับผลของบุญของบาปที่ตนเองทําไว้ตามอุณหภูมิของของบุญหรือบาปที่ได้ทําไว้นั่นเองถ้าทําบุญไม่เยอะทําบาปไม่นอ้อยใจก็จะเย็นถ้าทําบาปไว้มากทาบุญไม่นอ้อยใจก็จะร้อนใจร้อนเราก็เรียกว่าบายใจเย็นเราก็เรียกว่าสอ น, นี่คือผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายและหลังจากที่อุณหภูมิในใจมัน มันกลับเข้ามาสู่ศูนย์คือเท่ากันระหว่างร้อนกับเย็นมันเท่ากันคือสมมติว่าใจเราเย็นด้วยอุณภูมิด้วยด้วยบุญแต่บุณภูมิของของเย็นความเย็นนี้มันก็จะค่อยๆจางไปแล้วมันก็จะมาอยู่ในระดับของอุณภูมิที่ของความร้อนพอความเย็นกับความร้อนมันเท่ากันมันก็เลยเป็นการ จะเรียกว่าใจตอนนั้นเย็นก็ไม่ใช่ใจร้อนก็ไม่ใช่ใจที่ไม่เป็นบุญเนื้อใจที่ไม่เป็นบาสนั้นช่วงนั้นก็เป็นบาระที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไปที่ว่าของเข้าใจครยาจริงๆแล้วจิตใจไม่ได้สูญไปไม่ได้สูญไปแล้ว<ป>ต้องรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาปที่ตนเองทำไว้ครับแต่รับในสภาพของความร้อนและความเย็นของใจ แล้วเราจะวัดได้ยังไงดูตัวอยา่างตอนที่เรานอนหลับเนี่ยครับถ้าใจร้อนมันจะฝันร้ายใช่ไหมถ้าใจเย็นจะฝันดีนั่นแหละช่วงที่เราตายเนี่ยใจจะอยู่ในในโลกของความฝันฝันดีหรือฝั น, ฝ, นฝันไม่ดีนี่นมันทรมานนะเวลาฝันไม่ดีเนี่ยขนาดฝันแค่ชั่วงไม่กี่ชัว่วโมงตอนที่เรานอนกลางคืนเนี่ยเตยขึ้นมาที่บางทีเหงื่อแตกพลักนาะ แล้วคิดดูว่าถ้าฝันไม่ดีเป็นปีเป็นร้อยปีนี่จะเป็นยังไงบ้างโห่แย่เลยครับร้อยปีฝันปีกว่าจะได้มาเกิดใหม่นั่นแหละคือสภาพของจิตใจหลังจากที่ตายไปแล้วครับจะฝันดีหรือฝันรายจะเย็นหรือจะร้อนอยู่ที่บุญหรือที่บาปที่กําลังทํากันอยู่ในขณะนี้คงั<ฆ>้นอย่าประมาทในบุญในบาปอย่าไปคิดว่าร่างกายตายไปแล้วศูนไม่มีใครไปรับผลบุญผล บ, บาปต่อไป ใจร่างกายไม่ไปแต่ใจไปใจนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันเป็นเหมือนก็เป็นเหมือนกระแสคลื่นวิทยุที่เราใช้โทรศัพท์มือถือกันเนี้ยเราไม่เห็นคลื่นเหมือนใช่ไหมแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันไม่มีใช่ถ้าไม่มีคลื่นมันก็ไม่สามารถโทรติตดต่อคุยกันได้มันมีคลื่นชั้นใดใจของเราก็เป็นคลื่นเป็นของที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อร่างกายของเรานะการเคลื่อนไหวทุกอย่างของร่างกายนี้เกิดจากคําสั่งของใจเนะี่ยรับร่างกายไม่เคลื่อนไหวเองร่างกายนั้นต้องรอใจให้เป็นผู้สั่งแม้กระทั่งพยักหน้านี้ก็ใจเป็นผู้สั่งให้พยักหน้าครับอาจารย์ทับแล้วเรามีทางพิสูจน์ไหมครับว่าว่าเอ่อพอไปจริ ง, งรครับนั่งสมาธิไงนั่งสมาธิพอใจสง บ, บใจก็จะแยกออกจากร่างกาย เวลานั่งสมาธิเราดึงกระแสใจที่มาเกาะที่ร่างกายให้ให้หดเข้าไปกระแสะกระแสะใจนี่ก็เหมือนกระแสะของไฟที่ออกจากไฟฉายเอกจากหลอดไฟพอเราปิดไฟก็กระแสะไฟสายไฟที่มันออกไปมันก็หดเข้ามาอยู่ที่ใ น, ในกลับมาที่ตัวหลอดไฟทันทีแยกออกจากเวลาานั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธรื้ทรอทัวลงนี้เรากำลังดึงกระแสะของวิญญาณ ตัวที่ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มีเกาะที่ที่รับจากตาหูจมูกทิ้งกายเนี่ยจะดึงออกจากร่างกายพอเราเดึงสําเร็จพอวิญญาณถอยถอยออกมาจากร่างกายใจก็สงบใจรวมเป็นหนึ่งตอนนั้นก็เหลือแต่ผู้รู้แล้วก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายในช่วงนั้นพอนั้นถ้าปฏิบัติถึงจการได้แล้วก็จะเชื่อได้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วกน แต่ยังไม่หมดหน้าที่เพราะว่ายังไม่สามารถสอนใจไม่ให้กลับไปยึดติดกับร่างกายได้เพราะยังไม่มีปัญญางั้นเวลาออกจากสมาธิมาพอใจมาเกาะติดกับร่างกายต้องคอยเตือนสอนใจอยู่เรื่อยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันจะต้องตายแล้วเราจะต้องจากมันไปอย่าไปยึดจะไปถือว่าเป็นตัวเรามันจะทําให้เราทุกข์มาก เวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปเราเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือมันได้ครับได้คําตอบชัดเจนเลยครับอาจารย์พิสูจน์ได้ด้วยแต่ต้องนั่งสมาธิให้ได้ก่อนนั <c oughs> ่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้เราจะ<อ>ไม่สงสัยเรื่องกายกับร่างกายว่าเป็นคนละส่วนกันหรือไม่ <c oughs> บบครับนติโกโพระเจ้าบอกสันติโกทําเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติสามารถพิสูจน์รู้ได้ ทุกอย่างที่วิชา ส, ส่งส อ, สอนนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่ต้องปฏิบัติฉั้น <c oughs> ผมกอถามคําถามของเพื่อนบ้างนะคะพรอาจารย์ครับคุณแคตตี้ถามว่าทําอะไรก็มีแต่อุปสรรคจะแก้ไข ย, ยังไงคะทํามาทุกอย่างแล้วคะ่ะต้องใช้ความอดทนและใช้ความพยายามเหมือนเพียงเราชนะทุกอย่างได้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นอย่าท้อแท้เลยนะวันนี้เพื่อเห็น เห็นโฆษณาของของเด็กที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยเขาว่าความแข่งของใจนี่อยู่ที่สู้ไม่ถอยไม่ได้อยู่ที่ชัยชนะแต่อยู่ที่การสู้ไม่ถอยถ้าสู้ไม่ถอยแล้วมันต้องชนะใช่ไหมอย่างหนูภาษาอะไรมันสู้เราไม่ได้ถ้าเราไม่ถอยอย่งพยายามทําความเพียรไปพระเจ้าบอกว่าชนะอะดับความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ไม่มีอุปสรรคใดที่จะร้ายกาจยิ่งกว่าความทุกข์ถ้าเราสามารถดับความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเราสามารถดับอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความเพียรคาถามจากคุณนัท ช, ชาครับกาบป<ม>ระมาศการพระอาจารย์ขาจะขอเรียนถามว่าในความจริงแล้วเมื่อตัวเราไม่มีแล้วเราเกิดมาได้อย่างไรคะคก็จิตไงเป็นผู้ที่มาเกาะติดกับร่างกายร่างกายนี้พ่อแม่เป็นคนสร้างขึ้นมา พอตั้งคันพอปฏิสนธิปั๊บจิตก็มารวมมาเกาะยึดเป็นเจ้าขอ ง, งทันทีจิตนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตนี้เป็นผู้ที่เล่ร่อนอยู่ตอนที่ไม่มีร่างกายพอถึงเวละที่จิตหมดการใช้เวรใช้กรรมแล้วหมดบุญหมดกรรมแล้วก็มารอจังหวะที่จะมาเข้าคิวรับร่างกายที่กำลังถูกสร้างขึ้นโดยพ่อแม่คนใหม่ขอ แล้วพอได้ร่างกายก็ใช้ร่างกายเป็นเป็นบ่าวใจเป็นลายกายเป็นบ่าวร่างกายนี้ต้องรอคําสั่งจากใจคือความคิดนี่เองคิดว่าจะทำอะไรลุกขึ้นยืนเดินนั่งนีใ่ใจเป็นคนสั่งตลอดเวลาคําถา ม, มจกุลรัชยาครับกลาวนามัสการพระอาจารย์ขอโอกาสเรียนถามว่าเวลาเราหลับหรือเราผ่าตัดเราไม่รู้สึกตัวจิตไปอยู่ที่ไหนคะจิตไม่มีที่อยู่ต้องเข้าใจจิตไม่มี ไม่มีขนาดรูปร่างเหมือนร่างกายจึงไม่ต้องมีที่แล้วเราเรียกที่อยู่ของจิตว่าอยู่ในโลกทิศแต่มันไม่ได้เป็นสถานที่แบบเป็นห้องเป็นห้องๆเป็นคอนโดอย่างงี้ไม่ใช่เพราะมันไม่มีไม่มีขนาดจิตมันไม่มีขนาดไม่มีรูปร่างมันเลยไม่ต้องมีสถานที่อยู่แต่เราก็เลยเรียกสถานที่ของจิตนี่ว่าเป็นโลกทิศือไม่ได้อยู่ในโลกที่ร่างกายนี้อยู่ แต่จิตมาเกาะ ร, ร่างกายด้วยส่งการาส่งกระแสวิญญาณก็มาเกาะเหมือนกับเราส่งกระแสวิทยุจากเครื่องเราไปเกาะอีกเครื่องหนึ่งใช่ไหมเวลาจะติดต่อกับกับอีกเครื่องหนึ่งเราก็ส่งกระแสวิทยุจากเครื่องเราไปเกาะอีกเครื่องหนึ่งพอเกาะเครื่องนั้นปั๊บเขารับสัญญาณได้เขาก็ส่งกระแส CT ตอบกลับมาได้อันนี้ก็เหมือนกันใจเราก็ส่งกระแสมาเกาะติดอยู่กับร่างกาย เวลานอนหลับตอนนั้นก็ร่างกายก็หพักทํางานชั่วคราวจิตก็เลยไม่สามารถรับเอารูปเสียงกลิ่นรสที่มาทางตาห Lunch ูจมูกริ้งกายได้จิตก็เลยต้องก็เลยพักตัวชั่วคราวคําถามจากคุณไกลครับพระอาจารย์ทราบเรื่องหลังความตายได้อย่างไรครับก็บนี่เลยไงก็อย่างที่ได้พูดเมื่อกี้นี้ว่า หลังจากที่เราได้ปฏิบัติแล้วเราก็รู้แล้วว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนมะส่วนแล้วเราก็รู้ว่าเวลาตายไปนี่ร่างกายเป็นผู้ตายไปเพียงส่วนเดียวแต่ใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วสรุปได้ว่าใจนี้ก็เป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่เรื่องเคยเกิดมาแล้วกี่ครักี่ชาติ แต่บางท่านใจของบางท่านนีท่านมีความสามารถในความจําดีท่านจะระลึกชาดได้อย่างพระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติต่างๆที่พระ อ, องค์ได้ทรงเคยเป็นมาได้เป็นลเป็นหมื่นเป็นพันชาติท่านบอกให้ฟังท่าเล่าให้ฟังจากคุณปรัชยาครับถ้าเรานั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบนิ่งแล้วถ้าเห็นภาพต่างๆในสมาธิสิ่งนั้นเรียกว่าอะไรคะก็ยังไม่นิ่งจริง ถ้านงจริงเราจะไม่มีภาพอะไรให้เห็นจะเป็นความว่างถ้ายังไม่นิ่งก็ควรที่จะทําสมาธิต่อไปอย่าหยุดจากนั้นเราก็เรียกจะเรียกมันเป็นชื่อสมมุติอะแล้วเขสมมุติเขาเรียกว่าเป็นนิมิตบ้างเป็นเป็นมายาเป็นภาพหลอนภาพหลอกบ้างอะไรก็ได้เป็นอาการของจิตปรุงแต่งขึ้นมาแต่มันเป็นอนิจจ์ไม่ไม่เที่ยง ม, มเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับแต่ไม่ได้ วิธีที่จะปฏิบัติกรรมนที่ถูกต้องก็คืออย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมัน uh huh. ให้เกาะติดอยู่กับลมาหายใจหรือกับพุโทโธไปแล้วเราจะปลอดภัยถ้าไปยุ่งกับมันไปเห็นภาพไม่ดีอยากจะไปกําจัดมันกําจัดไม่ได้ก็ยิ่งทําให้เครียดขึ้นมาทุกข์ขึ้นมาใหญ่ถ้าเห็นภาพที่สวยที่งามก็ไปยืดไปติดอยากจะให้มันเป็นไป น, นานๆพอมันไม่อยู่มันหายไปก็เสียใจเสียดาย ในวิธีปฏิบัติกับทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในขณะนั่ง ส, สมาธิก็คืออย่าไปสนใจใช้สติให้กลับมาอยู่ที่อารมณ์ที่เราใช้ควบคุมใจและเป็นคำบริกรรมพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าก็กลับมาทาหน้าที่เดิมต่อไปเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ความว่างต่อไปได้ คำถามจะคุณวริพรครับอาจารย์คะถือฝีนแปดที่บ้านวันแรกถึงวันที่สามจิตดิ้นมากจะให้ละเมิดในฝีแต่ก็คุมสติกลับมาได้ไม่ให้ истории. ทําพอผ่านไปจิตเย็นเป็นปกติจ ะ, จะมาดิ้นมากให้ละเมิดอีกทีคือทุกวันโกนวันพระจะ แ, แก้ยังไงคะและหนูทําถูกไหมครั ข, ขอบคุณคะ่ะก็ต้องพยาออยามฝืนต้องร้อยบังคับเหมือนต้องใช้สติคอยคุมมันตามที่เราเคยทําไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติเราจะมีกําลังมากขึ้น แล้มันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นจนต่อไปมันจะประกายเป็นนิสัยไปมันก็จะสามารถรักษาศินได้แบบไม่ <c oughs> ไม่รู้สึกเปิดหัดไม่รู้สึกบลาบากเลยแต่ใหม่ๆมันเป็นช่วงต่อสู้กันระหว่างกิเลส ก, กับธรรมคือสติเนี่ยเราต้องพยายามสร้างสติให้มีให้มากๆมันเจริญพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆหรือมันคอยกาหนด จิตให้อยู่กับร่างกายอยา่าปอให้จิต ค, คิดเพ้อเจ้อเพ้อฝันคิดเรื่อยไปควบคุมจิตให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆและเวลาเกิดมีกิเลสเข้ามายัวย่วยวุให้ไปละเมิดศีลเราก็สามารถใช้สติระงับได้คําถามจะคุณสุตาสตาครับถ้าหนูรู้สึกว่าหนูยังไม่อยากตายเพราะจะอยากอยู่ปฏิบัติให้บรรลุ คิดแบบนี้มันจะเป็นการยึดติดไม่ปล่อยวางร่างกายเกินไปไหมคะแลนะควรคิดอย่างไรให้ถูกต้องคะ <c oughs> คือคิดตามความเป็นจริงก็คือถูกงก็คิดว่าเมื่อถึงเวลาร่างกายมันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปเมื่อยังไม่ถึงเวลาตายมันยังไม่ไปก็ดูแลรักษามันไปต้องคิดแบบนี้พร้อมที่จะอยู่และพร้อมที่จะไป คำ ถ, ถามจากคุณกิติพงศ์ครับนั่งสมาธิแล้วจิตจะมีโอกาสวิปลาสไหมครับถ้ามีสติไม่มีวิปลาสนะถ้านั่งสมาธิแบบไม่มีสติพอมีนิมิตอะไรปรากฏขึ้นมาก็ไปเล่นไปตามนิมิตแล้วก็ไปวาดภาคเอาเองว่าเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาอันนั้นก็จะวิปลาสว่ามีท้ามหาพร ม, มาเยี่ยมมีพระพุทธเจ้ามามาแสดงธรรมหรือมีอะไรต่างๆซึ่ง มันอาจจะเป็นจริงก็ได้ไม่อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีสติเราจะไม่รู้เรามักจะหลอกตัวเองแล้วเราก็มักมักจะอดกั้นที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้พอไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาก็เล่าว่าเราบ้าเพราะเป็นสิ่งที่เขาไม่เห็นไม่รู้เหมือนเราเห็นอย่างถ้าเราเห็นอะไรเราต้องระวังอย่าไปพูดกับคนที่เขาไม่รู้เรื่องคุยกับคนที่มีประสบการณ์ได้ <c oughs> แต่แต่ถ้าไม่คุยไม่ไม่มีคนคอยปรึกษาเช่นกูบาอาจารย์ที่มีประสบกลางนี้อาจจะเป็นเรื่องวิปราดขึ้นมาได้อาจจะไปสรุปเอาง่ายๆว่าโอ้ตอนนี้เป็นสวสดา์แล้วตอนนี้เป็นอนาคาแล้วเป็นอาหารแล้วอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคนปฏิบัติธรรมแล้วขแขวนคอตายเพราะว่าตอนถึงนิพพานแล้วมาถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปก็ฆ่าตัวตาย อันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดครัพบผมก็ต้องมีครูบาอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ต้องมีคอยครูบาอาจารย์คอยปรึกษาเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วมีอะไรที่มันผิดปกติก็ต้องไปเล่าให้ท่านฟังไปสอบถามว่าเป็นอะไรควรจะปฏิบัติกันอย่างไรถ้าไม่มีอะไรเป็นผิดปกติถ้าทุกอย่างสงบจิตสงบจิตเย็นจิตสบายจิตนิ่งจิตว่าอันนี้ไม่ต้องไปถามก็ได้แต่ถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยควรที่จะปรึกษาผู้รู้ ค, ừ ừ. คำถามจากคุณวร işte วรลันครับการเรียนถามค่าเวลาปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วจิตสงบมีสติรับรู้อยู่กับกายทั่วทั้งตัวไม่มีคำบริกรรมสามารถนั่งได้โดยไม่เมื่อยทุกครั้งจะนั่งประมาณสี่0ิบห้าถึงห้าสิบนาทีอยู่ด้วยความสงบอยากทราบว่าถึงตรงนี้ต้องทำอย่างไรต่อคะถึงจะพัฒนาได้ต่อคะ <S <S ก็นั่งต่อไปเลยว่ามันอยากจะลุกเราก็อยากขึ้นลุกก็ปฏิบัติต่อไป ถ้าเราใช้การดูลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจต่อไปถ้าเราใช้พุทธโธแล้วก็บรกิกรรมพุทธโธต่อไปต่อรอบสองเลยอยากตกองลงคำถามจ้าคุณนกครับกราบธรมรมสการพระอาจารย์ขอเล่นถามว่าเวลาเราเกิดใหม่ทําไมเราถึงจําอดีตชาติไม่ได้เจ้าคะเดีย๋ยว่าจำอดีตชาติเลยเมื่อวานนี้จาได้หรือเปล่าคุณทําอะไรมาบ้างคุณพูดกับใครบ้างคนกินอะไรบ้างจำได้ปะ ความจำเรามันสั้นมากเรื่เรื่องชาตินี่มันเลยทําให้เป็นของที่เราเลึกตนไยากมากต้องเป็นคนที่มีสมาธิลึกระดับอุปจารสมาธินั่นนะเรีนจะสามารถเ ล, ล, ล, ลื่อนชาติได้ถ้าเป็นคนปกติธรรมดานี่บางทีบอกใครเท้าไหร่ยังลืมเลยโกหภรรยาได้เราไม่รู้สึกตัว คุอนุสอนครับอาจารย์ขอโอกาสขอรับแก่นแท้ของศาสนาพุทธคืออะไรแล้วต้องน้อมนําการปฏิบัติเช่นไรคอรับขอพระคุณที่เมตตาครับแก่นแท้ของพระศาสนาก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ของจิตใจนี่คือแก่นของศาสนาศาสนาสอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวัวแลวทางที่จะ น, นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือ ศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทางศีลภาวนานี้นี่คือแก่นของาศาสนามีเท่านี้ไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์อยู่ที่วัดอยู่ที่อะไรทั้งนั้นสมัยพระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่มีวัดไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์พระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ที่ในป่าอยู่ตามคนไม้แล้วก็ใช้จิตใจเป็นสนามรบเป็นที่ต่อสู้เพราะความทุกข์อยู่ในจิตใจ เขาพยายามสร้างทำขึ้นมาเนี่ยสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาขึ้นมาจนในสามารถสามารถทำลายความทุกข์ทรมารที่มีอยู่ในใจจนหมดสิ้นไปได้นี่คือแก่นของศาสนาครับคำถามจากดรลินลพัฒ์ครับการธรรมนัสการพระอาจารย์ค่ะการที่เรามีความตั้งใจที่จะทําความดีเพื่อบรรลุในธรรมเราจะปฏิบัติกับคนที่คอยจะเอาเปรียบกับคนที่มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะบรรลุธรรมได้อย่างไรบ้างคะ ก็มองเขาว่าเป็นเป็นเป็นคนธรรมดาเขายดีจะชั่วมันเรื่องของเขาถ้าเรามีความจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติกับเขาแล้วก็ปฏิบัติไปแต่ถ้าเราไม่มีความจําเป็นเราก็ไม่ต้องไปปฏิบัติกับเขาก็ากได้ <Yeah. S 1> สมมติว่าถ้าเราแจกข้าวแจกของนี้แล้วเขามาขอรับมันก็ให้เขาไปนะเนี่ยเราให้คนคนนั้นได้คนนี้ได้ทําไมเราจะให้คนคนที่เรามีปัญหาด้วยไม่ได้ ก็มองเขาเขาเป็นเขาก็เป็นเหมือนคนคนหนึ่งเหมือนกับคนที่เราไม่มีปัญหาด้วยกันอยครับพระพุทธเจ้าบอกให้มองทุกอย่างเป็นสัตเพสัตตาสัตวทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดสัตว์ที่ยังต้องการความสงเคราะห์ความช่วยเหลือจากผู้อื่นยังเมื่อเขามีความต้องการที่จะช่วยเหลือคขอช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเข้าไปถือว่าเป็นการสร้างทานบารมี คําถ า, ถามจะคุณโอเปิลครับเรียนสอบถามเรื่องการสวดมนต์ค่ะเราควรสวดมนต์บทอะไรบ้างคะการสวดมนต์นี้เป็นการ ว, วิธีหนึ่งในการเจริญสติคือคอยควบคุมความคิดถ้าเรานั่งเฉ ย, ยๆเราไม่สวดมนต์เราก็จะนั่งคิดเรื่อยเปื่อยได้คิดถึงวันนั่งคิดถึงโลกโควิดพราคิดแล้วก็เกิดความเครียดเกิดความม่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้าเรา นั่งเฉยๆไม่มีอะไรทําแล้วก็สวดมนต์ไปแทนสวดมนต์จะบมดไหนก็ได้บมดสั้นบมดยาวก็ได้อห้สวดไปไดเรื่อยๆถ้ามันสั้นก็สวดหลายๆรอบเช่นบิณฑิยยอมให้สวดบทอิติพิโสกัอนแล้วให้สวดตามอายุของเราอายุสามสิบก็ให้สวดสามสิบรอบเราสวดสามสิบรอบเนี่มันอาจจะใช้เวลายี่สิบนาทีหรือสามสิบนาที มันก็จะไม่มีเวลาไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเครียดได้ใจเราก็จะว่างจะเย็นจะสบายในช่วงที่เราส่วดนต์เพราะเรามีสติควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดในเรื่องที่สร้างความเครียดให้กับเราดัางนั้นการสวดมนต์นี้เป็นอุบายวิธีที่จะทําให้เรามีสติหยุดความคิดต่างๆได้เป็นการทําสมาธิเบื้องต้นแต่ไม่สามารถทําจิตให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ ต้องอาศาัยการเพ่งแล้วเริ่มต้น อ, อาจจะสวดเพื่อทาให้ใจใคลายจากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆก่อนพอใจไม่คิดฟุ้งซ่านแล้วสามารถให้บังคับให้ดูลมหายใจได้ก็มาดูลมตถ้าดูลมได้ไม่คิดอะไรเดี๋ยวจิตเข้ารวมเข้าสู่สมาธิได้คุณใบาชาครับกลาวเรียนถามค่ะจัดห้องพระที่บ้านพระโพธิรูปผันหน้าไปทางทิศตะวันตกด้วยพื้นที่จำกัดเป็นอะไรไหมคะ ไม่เป็นหรหันหน้าไปทางไหนก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมเอาสภาพที่บ้านของเราเป็นเป็นหลักยึดกันแล้วกันเช่นอาจจะไม่ให้หันหน้าไปทางห้องน้าหรืออะไรทํำนองนี้หันหน้าไปในที่ที่เหมาะสมสําหรับบ้านของเราไม่จําเป็นเราจะต้องไปเป็นทิศตะวันตกแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีเพราะเราถือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศตะวันตกของเราท่านอยู่ประเทศอินเดียท่านประสูติตัศลุนิพพานที่ประเทศอินเดีย แล้วก็เลยถือว่าทิศตะวันตกนี่เป็นทิศที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ครับแล้วก็เลยอาจจะหันพระพุทธรูปไปความจริงต้องหันหันมาทางทางทิศตะวันออกมากกว่าอทิศตะวันตกแต่หันหน้ามาทางทิศตะวันออกหันหลังให้ทิศตะวันตกถ้าเวลาเรากลาบเรากลับพระพุทธเจ้าที่ข้างหน้าทันแล้ไม่ได้กราบที่ข้างหลังทันเราจะได้กลาบไปทางทิศตะวันตกได้อันนี้ถ้าจะเล่นทิศกันพูดกันไป แต่ไม่สำคัญหลอกการการาบนี้ไม่ได้จำไม่ให้ดูที่ทิศเป็นหลักให้ดูที่ใจเป็นหลักให้เราล้อมลำเลิกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าถ้าเป็ น, ปนไปได้ทุกคําที่ที่การาวก็ส่วนอัลังสัมมาสัมพุทธภะควาพุทธังสรนอะไรนี้ไปคือการลำเลิกถึงพระพุทธเจ้าไปส่วนถ้าถ้าการาบครั้งที่สองก็การกาบสวาาัสดิ์าตูพระวาตาธรมโมธํรมังยมัสสามิไป ตะคุณพัชรินครับนมัสการขานโดนเพื่อนบ้านชอบแกล้งให้เราเดือดร้อนบ่อยๆเช่นเอาต้นไม้ที่มีใบร่วงทุกวันแล้วจะร่วงลงเขตบ้านเราปลิวเข้าบ้านทุกวันเราต้องคอยกวาดบ่อยๆความดันขึ้นทําใจได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะก็ขอให้คิดว่าใบไม้เป็นเหมือนเงินก็แล้วกันถ้าเวลาเป็นเงินนี่เราจะเ่าจะปวดไหมเราไม่ปวดใช่ไหมทำนั้นก็เป็นใบเหมือนกันงานยำบรรทันธรรมันก็เป็นกระดาษ มันก็ทํามาจากใบไม้สลายนี่แหละใช่ไหมครับก็คอยช่วยเป็นยืินกับเราเป็นเงนเป็นเงินที่จะดับความทุกข์ใจให้กับเราถ้าถ้าเห็นใบไม้มารีบดีใจโอ้ยรีบขยันไปเก็บเลยเทำให้ผมรักเรีย น, นทำให้เราไม่ทุกข์กับมันเห็นมองให้มันเป็นหมือนธนบัตรก็แล้วกันเราจะไม่ทุกข์ คำถามจากคุณสุภเพร์ครับขอการเป็นถามว่าจิตพระอรหันต์ตอนมีชีวิตอยู่ที่ใดและจิตพระอรหันต์หลังเสียชีวิตไปที่ใดครับก็อย่างที่เคยตอบแล้วว่าอยู่ในโลกทิพย์จิตของพระองค์เจ้าจิตของพวกเราทุกคนนี่อยู่ในโลกทิพย์เหมือนกันกลางคนที่อยู่คนละซีกกันซีกที่เกิดกับซีกที่ไม่เกิดซีกที่เกิดเราก็เรียกว่าเรียกว่าสังสารวัฏสงสารซีกที่ไม่เกิดเราก็เรียกว่านิพพานนี่แต่ก็อยู่ใน อยู่ในโลกที่เหมือนกันไม่ได้หายไปไหนนะใจของพระเจ้าใจของบัณฑหารก็ยังอยู่เหมือนตอนที่ตอนที่ใจของท่านมีกิเลสอยู่อยู่ในอยู่ในซีของสังสารวัตแต่พอใจของท่านสิ้นกิเลสใจของท่านก็ยิ่ยไปอยู่ในซีของนิพพานไปช่ไหครับครัถามจากคุณทิดารัตน์ครับพระอาจารย์คะกลัวความตายเวลานอนตื่นกลางดึกมากลัวการไม่มีอยู่ทําอย่างไรดีคะ ก็เวลาเราหลับไม่กลัวใช่ไหมการคิดอย่างนี้ตอนแล้วตอนที่เราหลับเป็นยังไงบ้างถ้าเราตายตอนที่เราหลับเราก็ไม่กลัวใช่หไหแล้วจะไปกลัวกันทําไมความตายมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวก็คือความกลัวความตายเพราะไม่เข้าใจว่าเวลาเราตายนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราได้ศึกษาธรรมนั ว, ว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เป็นเหมือนการนอนหลับยาวเท่านั้นเอง หลับเพื่อที่จะได้ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ร่างกายนี้มันเก่าแล้วมันแก่แล้วเราก็เลยนอนดับพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ร่างกายใหม่ออกมาจากท้องแม่ร้องแหว่อแ ว, อแวก็ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นเราก็ได้ร่างกายนใหม่ขึ้นมาเงี้ยถ้าเข้าใจแล้วเราจะรู้ว่าการตายนี้เป็นเหมือนกับการเป็นเป็นการไปเปลี่ยนร่างกายเหมือนกับเวลาเราจะเปลี่ยนหัวใจหมอก็ต้องให้ร่อยาสลบใช่ไหม ยาสรุปแล้วหมอจะได้เปลี่ยนเอาหัวใจของอีกคนหนึ่งมาใส่ให้กับให้กับเราพอใส่เรียบร้อยแล้วหมอก็หมอก็ถอนยาสลบทลับเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็ได้หัวใจใหม่อันนี้ก็เหมือนกันดัเปลี่ยนทั้งล่างเลยไม่ดีกว่าแลยได้ของใหมยย่เอี่ยมทั้งล่างเลยอันนี้ก็เหมือนกันก็คิดว่าเป็นการเป็นการเปลี่ยนอวัยวะเปลี่ยนร่างกายความตายก็เป็นเวลาที่เราไปเปลี่ยนอวัยวะกัน นี่ถ้าทําบุญไปมนากลััวฮะครบถ้าทําบุญไปมากๆนี่ความน่ากลัวมันก็จะลดลงนะครับอาจารย์เพราะว่าเปลี่ยนไปบีทำสมาธิได้เราก็จะได้สามารถใช้สมาธิเป็นเหมือนยานอนหลับครับอยายายาสลบที่ไม่มีสมาธินี่ก็เหมือนกับว่าหมอผ่าแบบสดๆไม่มียาสลบจี่ปวดกลัวเตือนตืับ แต่คนที่มีสมาธิเขาก็ทำใจให้สงบอยู่ในสมาธิไม่ไปวุ่นวายกับความตายของร่าง ก, กายฝึก ส, สมาธิเนี่ยมีประโยชน์มากทั้งขณะที่มีชีวิตยอยู่เวลาเครียดทำสมาธิได้ความเครียดก็จะหายไปคำถามจากคุณแคตตี้ครับเราบนว่าให้พ่อมีชีวิตต่อสามเดือนจะบวชชีแต่พ่ออยู่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์ก็เสียเราต้องบวชชีไหมคะกราบสาธุ ค, ค่ะ ก็อยู่ที่ว่าเราทําสัญญาอย่างไงไงอันนี้ก็เป็นเรื่องการทําการบนุญนี่ก็เป็นการทําสัญญาก็อยู่ที่ว่าคุณเขียนสัญญาอย่างไงถ้าเราไปปรึกษาทนายดูที่เราไปดูคำถามจากคุณกิ่งการครับทําบุญแบบไหนบ้างคะที่จะอุทิศให้กับคุณพ่อที่เสียไปแล้วก็ทําทานนี่แหละการทําบุญทำทานจะใส่บาตรก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้บริจาคเงินค่าน้าเข้าไปให้กับวัดก็ได้ หรือจะทำกับโรงพยาบาลช่วงนี้โรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือมากก็ไปซื้อเครื่องหายใจให้โรงพยาบาลซื้อหน้ากากซื้ออะไรต่างๆเหล่านีน้ถือว่าเป็นการทาบุญเหมือนกันแล้วสามารถอุทิศบุญนี้ให้กับผู้ที่รองรับไปรัวได้เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องทำกับวดัดกับพระเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณสุธีรัตน์ครับพระอาจารย์เคยเห็นกายทิพย์บ้างไหมครับ หรือมีพวกไก่ทิพย์มาขอฟังธรรมะจากพระอาจารย์เหมือนหลวงปู่มัม่นและพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิทธิหลวงปู่มัม่นบ้างไหมครับอยากฟังพระอาจารย์เล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังบ้างครับอ๋อเรื่องพวกนี้เราต้องขอสงวนไว้เป็นเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะเอาตัวไปเป็นเคียงให้คนอื่นเขาสับ <c oughs> คนที่เขาเชื่อก็มีคนที่เขาไม่เชื่อก็มีคนที่เขาคิดว่าเราอวดรู้วอวดเด่นก็มีงั้นทางที่ดีไม่พูดดีกว่าปลอดภักยกว่า คำถามจากคุณนิวครับจิตปรามาพระรัตนไตรคืออะไรครับผมทุกใจมากยิ่งห้ามมันยิ่งคิดคำว่าปรามาก็คือดูถูกดูเหมิ่นนะหมินประมาณใช่ไหมหมิ่นประมาณ ใ, ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนทํามม<ะ>ทไม่ได้มีการหนึ่งสถาบันอย่างนี้เป็นต้น<ะ>อานนี้ก็เป็นการปรามาซึ่งอาจจะพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่เหนือเหนือการตำํำหนิติเตียนของสารโลกอย่างพวกเรา พทุทธธรรมพระสองนี้เป็นรัตนะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเล่าๆถ้าเปรียบเทียมกันท่านก็เป็นเหมือนเพชรเราเราก็เหมือนเหมือนก้อนขี้ก้อนอุจระเราจะอุจระไปแปะเปื่อนก้อนเพชรยังไงก้อนเพชรมันก็ไม่เปื้อนมันมันมันก็ไม่กลายเป็นอุจระขึ้นมาได้ครับเน้นพยายามคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กล้าไปปรามาสเราเป็นของฝังต้อยเราอยากไปเราอยากไปเหม็นประมาท ที่สูงพความหลงของเราความคิดว่าเราเก่งเราวิเศษความจริงเราเป็นเหมือนอุจจาระก้อนอุจจาระคุณค่าของเราเป็นเหมือนก้อนอุจจาระเมื่อเปรียบเทียบกับพระรัตนตรัยนี้ท่านเปรียบเหมือนเป็นคุณค่าของท่านเป็นเหมือนเพชรเมนจินดาคําถามจากคุณเมธิกาครับการมัศการพระอาจารย์การรักษาศีลแปดสามารถฟังธรรมะที่มีเสียงดนตรีประกอบจะทําให้ผิดศีลหรือไม่คะ ไม่ฟังได้จะดีกว่าเอาฟังธรรมะที่ไม่มีดนตรีจะดีกว่าเพราะว่าดนตรีนี่มันก็เป็นข้อห้ามในสิ้งแปดอยู่แล้ว ค, คำถามจะกคุณอ้นครับในชีวิตประจำวันมีความรู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นแล้วและคุณชินกับบุคคลและสถานที่นั้นทางทางที่ไปและพบกันครั้งแรกคิดไปเองหรือเพราะอะไรคะก็คุณก็ต้องพิสูจน์เอาเองอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราคิดไปเองหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วในอดีตก็ได้อันนี้ต้องพิสูจน์เอาเองคําถามจากคุณเปาโ ล, โลครับกาบธรรมสกา ร, ร, การครับขอเรียนถามพระคุณเจ้าว่าในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงประทับอยู่การสวดมนต์มีไหมครับกาบขอบพระคุณครับการสวดมีแต่ไม่อาจจะไม่มีแบบสวดมนต์อย่างที่เราทํากันเพราะว่าการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งนี้ ต้องมีการบันทึกกันณสมัยก่อนการบันทึกก็คือการท่องจําบทที่ธรรมะที่พระเจ้าทรงแสด ง, งเห็นเช่นธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงข้างแรกเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วก็อาศัยพระที่บวชนี่แหละเป็นการท่องไปศึกษาไปในตัวด้วยเพราะเป็นคําสอนเป็นตําราการแสดงธรรมุนธ์เจ้าเนี่ยธรรมะนี่เป็นตําราแต่สมัยก่อนไม่มีหนังสือให้เรา จดบันทึกไว้ไม่มีเครื่องบันทึกต่างๆก็เลยต้องอาศัยความจําของผู้ปฏิบัติของพระนี่แหละมาท่องจํากันเพื่อเป็นแนวทางศึกษาด้วยแล้วก็เป็นการอนุรักษ์คําสอนต่อไปด้วยมีการสวดท่องกันอยู่เป็นประจำแต่ไม่ได้สวดแบบที่เราทํากันเพื่อเป็นการฝึกสมาธิเพรสมัยนั้นท่านท่านก็สายการสวดนี่แหละสวดสวดท่องบทเหล่านี้ก็เป็นการเป็นการ เป็นการทำสมาธิภายในตัวได้เหมือนกันแต่ท่านสวดด้วยความเข้าใจด้วยท่านไม่ได้สวดแบบไม่เข้าใจอย่างพวกเราเพราะเป็นภาษาที่ท่านเข้าใจ ส, สมัยก่อนพระเจ้าแสดงภาษาบาลีสมมุติเป็นบาลีคนฟังก็ฟังภาษาบาลีเขาก็ท่องภาษาบาลีเขาก็เขาก็จำได้ความแล้วก็ได้ความหมายด้วยว่าทาที่พระเจ้าทรงสแสดงนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องมรรค8เรื่องอริยสัจสีเรื่องไตรล แต่สมัยนี้เรายังยึดติดกับภาษาบาลีอยู่เราก็สวดบาลีกันแต่เราไม่เข้าใจความหมายเราก็เลยขาดทุนเราได้เพียงครึ่งเดียวคือการได้การฝึกสติการสวนนี้เป็นการฝึกสติแต่เราไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้ไม่รู้ว่าบทที่เราสวดนี้มีความหมายว่าอย่างไรสมัยนี้ก็จงมีการแปลแล้วให้เราไปถ้าอยากจะรู้ความหมายก็ให้ไปอ่านบทแปล หรือถ้าฉลาดก็สวดบทแปลเลยไม่ดีกว่าเลยแทนที่จะสวดบาลีก็สวดบทมาอย่างสมัยที่เราปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยเราก็อาศัยการท่องพระสวดสติปัฏฐานสูตรแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่เป็นภาษาอังกฤษเพราะสมัยนั้นเราเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายกว่าภาษาไทยเราก็อาศัยคําแปลภาษาอังกฤษนี้ของข้อสวดสติปัฏฐานนี้ สวดไปแล้วก็ได้ความหมายด้วยได้ความรู้ได้รู้วิธีปฏิบัติในสติปัฏฐานสุดว่าต้องปฏิบัติอย่างไรสําหรับคนไทยเรานี่ถ้าอยากจะสวดสวดสติปัฏฐานสูตรนี้ขอแนะนําลองสวดภาษาไทยหนึ่งบเราจะได้ทั้งสติยังจะได้ปัญญาด้วยจะได้รู้ว่าพระเจ้าสอนให้เรากระทําอะไรกรันยาวเหยียดเลยครับอาจารย์ผมเคยไปพยายามท่องอยู่พักหนึ่งดียวบ้างทีได้เพราะมันมันมีบทมีแบบบทแบบ แบบซ้ําๆกันหรือบทแบบย่อก็มีเขาเรียกมาหาสติปัฏฐานกับธรรมดาถ้ามาหาก็เรียว่าบทเต็มเพราะ บ, บางทีขันห้านี้ขันห้าเป็นทุกนิรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกหนึ่งรอบแล้วก็เวทนาเป็นรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงก็อีกรอบนี่แต่ถ้าเรา ส, ด ส, ดสดวดบบสรุปแล้วก็ขันห้าเป็นเป็นอนิจจทุกขังของหน้าตาไปทีเดียก็จบก็ได้ อันนี้ก็มีบทยากกับบทบทบทไม่ยากคำถามจากคุณดรีนนี่ครับสวดมนต์ทุกวันแต่ยังควบคุมความโกรธไม่ได้อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนําข่าว่าต้องฝึกอย่างไรเพรื่อควบคุมความโกรธเราได้ต้องต้องต้องสวดทั้งวันเลยเพราะว่าความโกรธนั้นเราไม่รู้ว่มันจะมาตอนไหนมันชอบจะมาตอนที่เราไม่สวดเลยใช่ไหมตอนนี้เราสวดมันไม่มาหรอกเพราะเรามีเครื่องมือ เหมือกับยาเนี่ยถ้าเรามียาคอยกินเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่เกิดพอเราหยุดยาเมื่อไหร่นี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเข้ามาได้ดังั้นเราก็ต้องสวดทั้งวันทั้งนึงสอนให้เจริญพุทโธทั้งวันหรือสวดวนทั้งวันไปถ้าเราสามารถสวดทั้งวันได้เนี่ยความโกรธมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะเราจะมีสติคอยคุมมันอยู่ตลอดเวลาคําถามจากคุณบุญชูครับ เป็นสอบถามครับอาการที่นิ่งสงบจากสมาธิจําเป็นต้องวูบลงตลอดไหมครับเพราะบางครั้งมีอาการนิ่งสงบสบายเฉยๆไม่วูบลงครับก็ไม่จําเป็นเสมอไปหรอบางทีก็นิ่งๆไปโดยที่ไม่มีการวูบก็มีและการวูบก็อาจจะไม่ไม่วูบบ่อยอาจจะเป็นครั้งครั้งแรกๆก็ได้ครั้งต่อๆไปก็จะไม่วูบเรื่องวูบอาจจะวูบน้อยก็ได้มีวูบมากวูบน้อยแต่ไม่สําคัญไม่ต้องไป็นกังวล ไว้ดู ว, ว่ามันสงบมันนิง่งมันไม่คิดปรุงแต่งหรล่านั่งเฉยๆได้โดยที่ไม่รู้สึกไปถาดใจหรือเปล่าคำถามจากคุณนิตยาครับเห็นคําถามเพื่อนในนี้น่าสนใจค่ะว่าถ้าเราเกิดเจ็บป่วยความจําเสื่อมแล้วตอนที่เสียชีวิตไปจิตเราจะเป็นอย่างไรเราจะจําได้ไหมบุญและกรรมที่ทํามาจะเป็นอย่างไรคะบุญกรรมนี่มันไม่ได้อยู่ที่ความจำํำอย่างที่บอกมันอยู่ที่เป็นอุณภูมิของจิตใจไเวลา มันมันเข้าไปสร้างในจิตใจของเราแล้วบุญบุญกับบาป ท, ที่เราทํานีำมันก็ไปก่อความร้อนกับความเย็นให้กับใจเราอยู่แล้วไปสร้างไปสร้างความฝันที่ดีกับความฝันร้ายอยู่ในใจของเราแล้วพอเวลาเราตายปับเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับไม่มีสติก็ปูนใจตอนนั้นหลังที่เราสร้างไว้จากบุญเรื่อง บ, บาปมันก็จะออกมาฉายให้เราดูเนี่ไม่ต้องไปจำห ไ, ไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาเอง คุณสิริพรครพระอาจารย์ครพอนั่งสมาธิไปสักพักนานๆเข้าก็นิ่งลึกๆความรู้สึกคล้ายมีไฟฟ้าหรือสัมผัสวิ่งไปตามร่างกายแล้วคล้ายมีไฟฟ้าชอบเคลื่อนไหวไปมาบนศรีรษะก็ดูต่อไปอย่างนี้เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ควรจะไปดูมันควรกลับมาดูโลงควรกลับมาอยู่ที่พุทโธถ้าไม่เช่นนั้นใจของเราจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้มันก็จะติดอยู่กับการดูสิ่งเหล่านี้ซึ่งมันก็เป็นอุปสรรค เป็นนิวรณได้เป็นอุปสรรคที่จะความกั้นจิตไม่ให้เข้าสู่ความสงบได้เพรฉน้นอย่าไปสนใจเวลามีอาการอะไรแปลกๆปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิรับดูแล้วก็นึงจิตกลับมาอยู่ที่ลมต่อไปแล้วอยู่กับพุโทโธต่อไปแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องขับกับจิตก็ใช้กลรบมาหาสิ่งนั้นต่อไปจนกว่าจิตจะเข้าสู่ความสงบแล้วนิ่งแล้วทุก อ, อย่างจะหายไปหม คำถามจากคุณธนพรครับเรียนถามพระอาจารย์ถือศีลแปดสามารถทํางานไปด้วยได้ไหมเจ้าคะได้ทําถ้ามันไม่ขัดกับศีลแปดก็ทําได้จากคุณพุ่มไม้ครับาการเรียนถามระหว่างฟังธรรมภาวน า, วนาพุทโธ ร, ร่วมด้วยได้ไหมคะถ้าฟังธรรมแล้วพุทโธด้วยมันจะไปชนกันนถ้าอยากพุทโธก็ไม่ต้องฟังธรรมถ้าฟังธรรมก็ไม่ต้องพุทโธใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกรอกใจ แต่ถ้าใช้สองอย่างแล้วมันจะมันจะตีกันหนึ่งถ้าเราอยากจะใช้พุทโธก็ไม่ต้องไปฟังธรรมถ้าเราอยากจะฟังธรรมก็ไม่ต้องใช้พุทธโทการฟังธรรมก็ทําจิตให้สงบได้เหมือนกับการใช้พุทธโทเราก็ได้ความรู้ด้วยแต่การการพุทโทอย่างเดียวเราไม่มีการฟังธรรมก็จะทําให้จิตสงบได้เรื่อง ก, กว่าก็าต้องเลือกเอาว่าเราต้องการอย่างไหนแต่บางทีเรายังไม่สามารถที่จะใช้พุทธโทตามมันทำได้ เราก็ใช้การทำธรรมเป็นเครื่องกล่อมใจครับให้ใจเข้าสู่ความวุ่นวายน้อยลงความฟุ้งซ่านให้น้อยลงก่อนแล้วพอเราสามารถที่จะพูดโธพูดโทได้โดยที่ไม่ต้องฟังธรรมแล้วก็หยุดฟังธรรมแล้วก็ใช้พูดโธอย่างนี้ไปคำถามจะคุณคีพคามครับ กลาวนัิสัการพระอาจารย์เจ้าค่ะลูกนั่งสมาธิแต่ไม่เคยเข้าสมาธิลึกๆได้เลยเพียงแต่รู้สึกถึงความเจ็บปวดว่าขาที่กําลังปวดอยู่นั้นมันอยู่คนละส่วนกับใจที่พุทโธอยู่ถือว่าการปฏิบัติย่ําอยู่กับที่ไม่ก้าวหน้าไหมคะก็มันก็ถ้ามันทําทุกขารปฏิบัติมาถึงที่ที่เดิมมันก็ยังไม่ก้าวหน้าแต่อยากจะให้กําหน้าก่อนที่จะมานั่งก็ควรที่จะฝึกสติให้มากๆก่อน เราสามารถจเจริญพุโทโธพุโทโธได้ในเรียบทต่างๆไม่ว่าเราพลังทำอะไรถ้าเราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธไว้แล้วต่อไปเวลาเรามานั่งมันจะสงบได้เร็ว ก, กว่านานกว่าจากคุณสงกรานครับรบกวนหลวงพ่อสรุปสติปัฏฐาน4ี่แบบเข้าใจง่ายๆหน่อยครับคือสติปัฏฐาน4ี่นี้เป็นเป็นหลักสูตรที่สอนสามสิด้วยกันคือ1การจเจริญสติ 2. การนั่งสมาธิเพื่อให้จิตเข้าสูา่ความสงบ 3. การเจริญปัญญาคือการศึกษาธรรมชาติของร่างกายของจิตของเวทนาว่าเป็นอย่างไรว่ามีตัวตนในกายในเวทนาในจิตหรือไม่ว่าเป็นของเที่ยมหรือไม่เที่ยมว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่คือปัญญาแต่ต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนไปเหมือนกับการเรียนหนังสือ ก่อนที่เราจะเขียนนิยายได้เราก็ต้องอัดท่องกอไก่ขอไข่ให้ได้ก่อนพอท่องกอไก่ขอไข่ได้แล้วเรามาหัดสะกด ต, ตัวหนังสือเมื่อเราสะกดได้แล้วก็ค่อยมามาแปลความหมายของตัวหนังสือแต่ละตัวว่ามีความหมายยังไงพอเราได้ความหมายแล้วรู้ความหมายแล้วที่นี้เราก็สามารถมาแต่งนิยายแต่ข้อความอะไรต่างๆได้ในาการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันสติปัญญาสูตรนี้มี มีเป้าหมายคือให้เรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการไปหลงยึดติดร่างกายเวทนาและจิตว่าเป็นตัวเราของเราเห็นเลยต้องสดต้อการที่เราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นไตายรักได้นี้เราต้องมีเครื่องม้าเครื่องมือก่อนต้องมีสมาธิถ้าจะมีสมาธิเราก็ต้องมีสติท่านถึงฝึกให้เราท่านสอนให้เราฝึกสติก่อน ฝึกสติในสติปัฏฐานนี่ฉนให้ใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติคือตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี่ให้ให้ใจเฝ้าดูร่างกายตลอดเวลาว่าร่างกายกำลังทำอะไรอย่าปล่อยให้ใจไปทิ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้ใจจะมีสติพอมีสติก็เวลาไม่ต้องทำอะไรก็ให้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าเพื่อให้จิตรวมเข้าสู่สมาธิพอได้สมาธิจิตก็จะมีอุเบกขามีพลัง ที่จะสามารถที่จะสู้กับความหลงความโลภความโกรธที่เราให้จิตไปยึดไปติดกับร่างกายกับเวทนากับจิตได้ด้วยการสอนความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นของไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเช่นเดียวกับเวทนาและจิตถ้าสอนได้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาแล้วและจิตมีอุเบกขาวิสมาที่อยู่ ก็จะมีกําลังที่จะถอดถอนความหลงที่ไปยึดไปถือว่าร่างกายเวทนาจิตเป็นตัวหลอกของเราได้จิตก็จะไม่ทุกข์กับการเวทนาจิตอีกต่อไปหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยคือหลักสูตรของสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างนี้คําถามจากคุณปริยพรณ์ครับแต่งงานไม่มีลูกควรวางใจอย่างไรครับก็ควรจะดีใจนะเพราะไม่มีภาระไม่มี ไม่มีทุกข์ถ้ามีลูกก็จะกลายเป็นบ่วงเป็นภาระขึ้นมาดังนั้นการไม่มีลูกนี่ก็ถือว่าโชคดีไปคุณไพลินครับทําบุญทุกครั้งต้องกรวดน้ําอุทิศบุญเสมอไหมคะแล้วถ้าให้กรวดน้ําจะได้บุญไหมคะืคอการทาบุญได้บุญแล้วแล้ว เ, เ, เราสามารถแบ่งบุญให้กับผู้ล่งลับไปได้ถ้าเราอยากจะแบ่งให้คนที่ตายไปเราก็อุทิศได้ การอุทิศนี้ก็อุทิศโดยที่จะใช้น้าก็ได้ไม่ใช้น้าก็ได้คือการอุทิศนี้ให้ระลึกภายในใจของเราเรียว่าขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านนั้นท่านนี้ที่ลงรับไป้วก็ถือว่าสาเร็จแล้วแต่คนเราบางทีเขาไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรเขาก็เลยมีคนให้เอาน้ำมาเป็นตัวยาตัวแทนของบุญเวลาเราเทน้าจากภาชนะภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่ง ก็เหมือนเหมือนเหมือนกับเราถ่ายบุญจากใจเราไปสู่อินใจใจของผู้ที่น้องรับไปแ้วนั่นเอนี้นจะเวลาอุทิศบุญนี่จะใช้น้ําขวดก็ได้ไม่ใช้น้ําขวดก็ได้แต่ถ้าเราทําบุญแล้วเราไม่รู้จะอุทิศให้ใครเราก็ไม่ต้องอุทิศก็ได้หรือจะอุทิศให้สรรับปะสัตว์ที่มียว่ายตายที่ยังที่ตายไปน้ำก็ได้ <S S พวกพวกที่ไม่มีญาติบางทีพวกที่เหมือนกับพวกนักโทษที่อยู่ในคุกแล้วไม่มีญาติมาเยี่ยม ไม่มีญาติซื้อข้าวซื้อของมาฝากเราก็เป็นคนใจบุญเราก็ไปซื้อของแล้วก็เอาไปฝากพวกที่อยู่ในคุ้งในตลาดคำถามจากคุณกุ้งครับกานศนรัตการค่ะคุณพ่อเสียวันนี้อย่างโทษตัวเองจะทำยังไงให้รู้สึกไม่ทุกข์ทรมานแบบนี้คะพระคุณเจ้าถ้าคุณโทษตัวเองได้ผมก็ต้องห้ามไม่ให้คุณพ่อตายได้ถ้าคุณห้ามคุณพ่อให้ตายไม่ได้ ปล่อยให้คุณพ่อตายก็คุณก็โทษตัวคุณเองไม่ได้เพราะมันไม่อยู่ในทิศทางของคนที่จะไปห้ามคุณพ่อไม่ให้ตายได้นะถ้าคุณห้ามได้แล้วคุณพ่อปล่อยให้คุณพ่อตายเนี่ยถึงคุณคุณควรจะโทษตัวคุณเองได้ว่าทําไมปล่อยคุณพ่อตายแต่นี่คุณห้ามคุณพ่อให้ตายนั้นไม่ได้คุณพ่อท่านตายคนท่านเองคุณไม่ได้ไปทําให้ท่านตายแล้วคุณก็ห้ามท่านห้ามไม่ให้ท่านตายไม่ได้นั่นไม่ใช่เป็นความผิดของคุณที่ท่านตาย เป็นธรรมชาติของร่างกายที่เกิดมาแล้วมันต้องตายด้วยกันทุกคนคุณที่ติมาครับตามเรียนถามเรื่องการบูชาดอกไม้ในห้องพระค่ะเพราะปัจจุบันการเสด็สละเงินซื้อดอกไม้ราคาแพงถ้าจะเปลี่ยนเป็นการปลูกดอกไม้ในกระถางบูชาวางไว้ในห้องพระแทนได้ไหมคะและผิดไหมคะถ้าจะคิดว่าเอาเงินที่ซื้อดอกไม้ไปทําบุญถวายพระดีกว่าไหมคะไม่คืดเราจะมีมีดอกไม้บูชาก็ได้ไม่มีก็ได้ เพาการบูชานี้มีสองระดับด้วยกันเรียกว่าอมิสบูชากับปฏิบัติบูชาอมิสบูชาก็เนี่ยบูชาด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูบเทียนเครื่องเครื่องสักการะต่างๆและอีกวิธีนี้ก็คือปฏิบัติบูชาเช่นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิควงเทศความธรรมนี้เรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่แท้จริง เนื่อาเราไม่มีดอกไม้ที่จะมาบูชาก็ mm. ไม่เป็นไรเอาเงินทามุนทาทานไปก็เป็นการปฏิบัติบูชาก็ mm. าเป็นการปฏิบัติ ท, <Yeah. S 1> ทานคนุณชาสอนเราปฏิบัติสามขั้นตอนทานสิงภาวน า, า mm. มาปฏิบัติบูชากันดีกว่า <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นการบูชาที่ได้ผลอย่างแท้จริง <Yeah. S 1> ได้มากกว่าการบูชาด้วยอาบิสบูชา อธิษฐานเจ้าคุณศิวะครับเวลา ท, ท grim, h h ํากิจการค้าขายต้องคํานึงถึงกําไรสูงสุดจะต้องวางใจอย่างไรให้ไม่โลภแต่กิจการจะต้องอยู่รอดต่อไปก็ต้องดูผลประกอบการของเราสิว่าเรากําไรมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเรากําไรมากเกินไปปีหน้าเราก็ลดราคานื่อมีการแจกของให้กับผู้ที่ซื้อมามีการตอบแทนตอบแทนคนของผู้ที่มาสนับสนุนการขายของเราก็ได้ แล้มันมีการปรับได้มันไม่ใช่จําเป็นว่าจะต้องเอากําไรแบบนี้ตลอดเวลาเราก็ดูสถานการณ์ความเป็นจริงว่าทํามาค้าขายปีนี้เรากาไรมากกำไรน้อยถ้ากําไรมากเราก็นคืนกําไรให้กับลูกค้าด้วยการลดราคาสินค้าที่เราจะขายขั้นต่อไปก็ได้หรือมีของแจกให้เขาก็ได้เป็นเครื่องสัมมนาคุณก็ได้ครับําถามจากคุณมูลครับ ฝึก จ, จิตฝึกใจให้รับทุกประมาณทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าจนเหมือนใกล้จะตายจากความเจ็บปวดได้ยังไงคะเหมือนรู้จักแต่ทฤษฎีแ ต, แต่พอเจอเข้าจริงๆมันไม่ง่ายเลยค่ะไม่สามารถทําใจให้สงบได้เลยจิตมัวแต่เพ่งอยู่ที่ทุกขเวทนานั้นค่ะก็ต้องฝึกสติใช้สติสู้กับมันในเบื้องต้นเวลาจิตเวลานั่งไปแล้วร่างกายเริ่มเจ็บปวดจกระทั่งนอนรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะนั่งต่อไปได้ก็พยายามใช้คําบริกรรมพุทโธนี่แ พยายามเกาะติดอยู่กับคำเบอร์คำพุโทโธพุโทโธเหมือนกัายอมยอมยอมขาดใจตายไปกับพุโทโธเลยมันจะเจ็บจะปวดยังไงก็ปล่ายมันเจ็บมันปวดไปแต่เราจะเกาะติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปพอย่างเดียวถ้าเราทำอย่างนี้ได้ไม่นานห้านาทีสิบนา ท, นาทีมันก็ทะลุความเจ็บได้จิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วความเจ็บก็ไม่สามารถที่จะมาทําให้เจ็บทําให้จิตเจ็ บ, จบปวดได้ต้องพยายามใช้สติให้มากๆช่วงที่มีความทุกข์ ทางร่างกายอย่านั่งเฉยๆอย่านั่งดูเวทนาเย่ยงนั่งยิ่งทุกข์ใหญ่พอเวลาเห็นเวทนาเราอยากจะให้มันหายพอเกิดความอยากมันก็เลยไปสร้างความทุกข์ในใจที่เป็นความทุกข์อีกชั้นหนึ่งทําให้มันเป็นความทุกข์สองชั้นขึ้นมาความทุกข์ที่เราทนไม่ได้ไม่ใช่ทุกข์ทางร่างกายแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี่เองงั้นถ้าเราป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากด้วยการบริกรรมพุโทโธได้ ใจยังไม่ทุบร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายแล้วใจก็จะสามารถนั่งต่อไปได้อย่างสบายเป็นพยายามใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธไปหรือทาอย่างอื่นก็ได้พุทธังสนานังกชามิทำสานั ง, นงกชามิอนิจังทุกขงังอนัตตาเรื่องอะไรก็ได้อย่างนั่งเฉยๆก็ได้ให้ใจมันมีงานทำํำจนกระทั่งมันไม่มีเวลาที่ไปทิึงความเจ็บปวดของร่างกายไม่มีเวลาที่อยากจะให้ความเจ็บปวดหายไป ใจก็จะสามารถที่จะไม่ทุกข์ไม่ทรมานได้ในขณะนั้นคาถามจากคุณยงยุทธครับกาศนักสการาครับอยากได้ทําแนะนําเกี่ยวกับการนั่งสมาธิทําอย่างไรให้จิตอยู่ในสมาธิดได้เร็วครับกาบขอพระคุณครับก็ต้องมีสติมากๆ น, นันเอต้องสร้างสติก่อนที่จะมานั่งเหมือกนกับที่เราจะมีกําลังเราก็ต้องไปฝึกวิ่งออกกําลังกายบ่อย ถาเราวิ่งออกกาลังกายไปบอ่อยเราก็จะมีกําลังกําลังกายมากพอมาทํางานใช้ร่างกายทํางานก็จะทําได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วสตใจของเราก็เป็นเหนร่างกายที่จะต้องมีกําลังสิ่งที่จะให้กําลังกับใจก็คือสตินี่เเราต้องมพยายามออกกําลังใจอยู่เรื่อยๆด้วยการจดานสติอย่าปล่อยให้ใจทิ้เรื่อยเกิดหยุดความคิดการหยุดความคิด น, นี่หนละถ้าหยุดได้แสดงว่าใจมีกําลังมากถึงจะหยุดความคิดได้ วิธีจะยยุดก็ใช้คําบริกรรมพุโทโธหรือการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกกิริยาบทคำถามจากคุณเจพีครับการรักษาการอยากถือศีลแปดแต่เป็นโรคกระเพาะต้องกินอาหารช่วงเย็นเพราต้องกินยาจะทําอย่างไรดีกราบขอบพระคุณครับก็ถือศีลเจก็ได้เนี่ยศีลศีลก็ที่เรารักษาไม่ได้ก็เว้นไว้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องของการรักษาร่างกาย ไว้รอให้ร่างกายปกติแล้วเราค่อยมารับรักษาสิบแปดอย่าเราอย่าไปรอมารักษาศสเข้ออื่นได้แต่มันไม่รักษาไปก่อนรักษาเจดข้อก็ได้เว้นข้อข้ออไปช่วงข่าวนจนกว่าเราจะสามารถที่จะไม่รับประทานอาหารตอนเย็นได้เราก็มารักษาสิข้อข้ออกให้ครบแปดข้อได้ไม่มีใครห้ามว่าทำไมต้องรักษาสิ่ง สินเจ็ดไม่ได้เลได้ราษาสินเจ็ดก็ได้สินหก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องครบสีนแปดถ้าเรายังรักษาแปดข้อไม่ได้ก็เอาเอาเจ็ดข้อไปก่อนหรือถ้ารักษาไม่ได้เ้วข้อข้อหนึ่งข้อใดให้ได้ก่อนก็ยังดีเช่นข้อดื่มชูกาได้หรือเปล่าหรือข้อพูดปดเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งก่อนแล้วค่อยค่อยค่อยเพิ่มไปทีละข้อก็ได้ คำถามเจ้าคุณสุรีครับกลาวตมัสกากกรพระอาจารย์เจ้าค่ะหากพี่น้องเราไม่สามารถรับวัคซีนโควิดได้เนื่องจากเคยแพ้วัคซีนที่ได้รับในวัยเด็กหนักมากและจําวัคซีนตัวนั้นไม่ได้จึงกลัวไม่กล้าและตัดสินใจไม่รับวัคซีนโควิดเราควรวางจิตอย่างไรคะก็เป็นเรื่องของเขาเลย่อะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะคนเรามันอาจจะตายได้หลายอย่างด้วยกันอาจจะตายเพราะอย่างหนึ่งก็ได้ทําไมเราไม่ไ ม, ไ, มไม่กัง ว, วลมาต้องวอนกันเรื่องวัคซีนอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคนเราถึงเวลาทุกคนก็ยังเกิดมาแล้วก็จะต้องตายเหมือนกันเราจะตายด้วยอะไรก็ไม่มีใครรู้ก็พยายามรักษาร่างกายเราให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะรักษาได้ก็แล้วกันคําถามจากคุณนงครับการออกบวชเราควรจะทําอย่างไรกับทรัพย์สินเช่นเงินและที่ดินถึงจะไม่ผิดธรรมวินยัยก็อย่ามีเลยยกให้คนอื่นไปให้หมดเลยไปแบบตัวเ ป, ปล่า แต่ดมมะะมมามคาำถามจากคุณจารึกครับรกล่าวธรรมสการพระอาจารย์ค่ะถ้าชอบฟังธรรมอย่างเดียวแต่ไม่ชอบนั่งสมาธิจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่คะสามารถฟังธรรมได้ทั้งวันทุกวันค่ะแต่นั่งสมาธิแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วค่ะก็ฟังทั้งวันแล้วบรรลุได้ปนะ่ามันก็มันก็เป็นคําตอบอยู่ในตัวนะแล้วถ้าบรรลุได้มันก็บรรลุไปนา้นะพราะสมัยพุทธกาลคนบางคนฟังธรรมคนเดียวก็บรรลุธรรมได้ แต่ถ้าเราฟังทั้งวันทั้งคืนยังไม่บรรลุนี้ก็แสดงว่าจิตเรายังไม่มีสมาธิไม่มีกําลังที่จะทําทตามที่พระเจ้าสอนคือรับอวามโลดกอดหนมได้ น, นั่นเองแต่ถ้าเรามีสมาธิรับพระเจ้าบอกต่อไปนี้อย่าโลภนะี่เราก็สั่ใจไม่ให้โลภได้ต่อไปนี้อย่ากโกรธนะเราก็จะสั่งใจไม่ให้โกรธได้ถ้าเราไม่มีกําลังจะสั่ใจก็แสดงว่าเราไม่มีสมาธิพอ เราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันถ้านั่งแล้วง่วงก็เดินสมาธิก่อนก็นได้เรียกว่าเดินโจกงอย่าพึ่งนั่งก็ได้เดินโจกงไปเดินแล้วก็ดูเท้าไปก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปเมื่อเดินแล้วก็ท่องพุทโธพุทโธไปก็ได้เดินกว่าจะรู้สึกเมื่อยแล้วก็ทำเรามานั่งดูอาจจะไม่ง่วงแล้วก็ได้หลังจาก คำถามจากคุณเวเว่ครับมีสองข้อนะครับการทำพิธการพระอาจารย์เรียนถามพระอาจารย์ข้อที่หนึ่งตอนเช้าโยมเปิดฟัง youtube บทสวดมนต์แล้วทําน้นนั่นนี่ไปด้วยเหมาะสมหรือไม่ครับข้อที่หนึ่งครับคือ <c oughs> มันจะไม่ได้ประโยชน์นะสิเพราะว่าการที่เราทําอะไรแสดงว่าใจเรานี้ไม่ได้อยู่กับการสวดมนต์นะมันก็จะไม่ได้ผลจากการฟังบทสวดมนต์ถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากการฟังบทสวดมนต์นี่ก็ต้องฟังอย่างเดียว เหมือ ก, ก, การฟังธรรมถ้าเราแบ่งใจเราไปทํานู่นทนํานี่ใจเราก็เป็นห้าสิบห้าสิบห้าสิบก็ฟังบทสวดมนตน์อีกห้าสิบก็ไปทํานู่นทนํานี่ผลมันก็เลยได้ห้าสิบห้าสิบไม่ได้เต็มร้อยข้อที่สองบอกเปิดฟัง youtube บทสวดมนต์แล้วเดินจงกรมไปด้วยเหมาะสมหรือไม่เจ้าค่ะการเดินจงกรมนี้แล้วก็ฟังไปด้วยเนี่พอพอทําได้ด้วยกันได้เพราะว่าการเดินนี้ไม่ต้องใช้ความคิดอย่างเลยก็ใช้ ไดการฟังบทสวดมนต์เมการฟังธรรมแล้วเดินจงกรมไปด้วยก็ได้เหมือนกับการนั่งฟังคุณนัทนภิดครับกลาวนมัธกา ร, กรพระอาจารย์ค่ะลูกบอกว่าเวลานั่งสมาธิมักปวดหัวพระอาจารย์มีวิธีใดแนะนําการนั่งสมาธิสำหรับเด็กไหมคะกล่าวขอพระคุณค่ะก็ให้เด็กสวดมนต์ไปก่อนสอนเด็กให้สวดมนต์ไปก่อนสวดทิพย์เซวสวดพุทธธรรมเซวังกระชามิสวดอาหารซ้ำมาอะไราไปก่อนเพราะว่า การนั่งสมาธินี้มันต้องใช้การบังคับจิตมากจิตมันก็อาจจะต่อต้านในการสร้างความรู้สึกปวดศรีรษะขึ้นมาก็ได้ในถ้ารู้สึกมีปัญหาทางด้านการปวดศีรษะหรืออะไรทำนองนี้ก็ให้สวดมนต์ไปพักก่อนเสร็จสวดเสร็จแล้วก็ลองให้นั่งสมาธิต่อดึงถ้ายังนั่งไม่ได้ก็ยังไม่ต้องนั่งเอาสวดมนต์ไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ คำถามากคุณธนพัทธ์ครับากาลรรัสการถามผมเคยฟังเรื่องธาตุหกสงสัยว่าเวลาเราตายธาตุไหนดับก่อนวิ ญ, ญญาณธาตุจะดับไหมครับวิญญาณธาตุคือจิตใจไม่ดับเนี่ยเป็น แ, แต่จะยากก อ, อ่กจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟคือร่างกายการดับของร่างกายนี้มันดับที่ลมดับที่ธาตุลมใช่ไหมพอไม่มีลมหายใจเราก็เรียกว่าตายใช่มตอนตอนนี้นดับที่ธาตุลมก่อน พอธาตุลมจับแล้วธาตุไฟก็ตายไปน้ำกายก็เย็นเงินมาแล้วก็ตามด้วยธาตุน้ำไหลออกมาจากตามตามส่วนตา่างๆทวารตา่างๆถ้าบ่อยทิ้งไว้ต่อไปมันก็แห้งกรอก็กเหลือแต่ธาตุดินครับคําถามจากคุณวันนาครับนั่งสมาธิบางครั้งนั่งไปได้สักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกเหมือนตัวโยกไปโยกมาจะต้องทําอย่างไรต่อเจ้าคะแสดงว่าไม่มีสติแล้วเหมือนกับลราเคลิมจะหลับแล้ว ก็ต้องปลุกสติขึ้นมาใหม่ปลุกตัวเองบอกให้ให้กำลังกําลังค้านะะกลับมาดูลงกลับมาพุโทโธนมหายเปไ็นหรือเปล่าดูลมอยู่หรือเปล่าพุโทโธอยู่หรือเปล่าส่วนมากมักจะไม่อยู่แล้วถ้าไม่อยู่แล้วมันก็เคลิ้มไปแล้วมันก็ย้ยโยกไปโยกมาได้คล า, ายกันข้อ น, นี้ครับคุณลูกุลครับาาการนมัสการนั่งภาวนาฝึกนาทีแรกรู้สติจากนั้นเข้าพาวังตลอดควรแก้ไขยอย่างไรครับ คือถ้าภาวังหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจนกนงกรมนั่งหลับก็ต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมแต่ถ้าเป็นภาวังสมาธิก็ดีสมาบัติังกันตรงไหนต่างกันตรงที่มีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติก็เลยก็ภาวังหลับ <c oughs> เหมือนคนที่นอนหลับไม่มีสติแต่ถ้าเป็นสมาธิจะมีสติจะรู้อยู่ว่าตอนนี้จิตเข้าสู่ภวังของความสงบ คำถามจะคุณการสุขครับเวลานั่งสมาธิเข้าไปสงบไว้มากแต่สักพักก็ออกมาแล้วเหมือนทํางานจบแล้วต้องทํำยังไงต่อคะก็กลับเข้าไปใหม่เลยยังบังคับให้มันอยู่นานๆต่อไปด้วยสติใช้พุโทโธพุโทโธเรื่องบังคับให้นั่งดูลมหายใจไปเรื่อยๆจะนั่งได้นานต่อไปได้จากคุณโสพิดาครับขอน้อบกราบน้อมสักการพระ อ, อาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วจําเป็นต้องอุทิศส่วนกุศลในทุกๆครั้งไหมเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ ความจริงการนั่งสมาธินี้อุทิศกุศลไม่ได้นะเพราะเป็นของเฉพาะตนถ้ า, าอุทิศได้คนอื่นก็ไม่ต้องนั่งสมาธิเรานั่งแทนเขาแล้วเขาก็ได้ผลจากการนั่งสมาธิของเราทําไม่ได้เป็นบุญชนิดเดียวที่อุทิศได้ก็คือการทําบุญทาทานส่วนการนั่งสมาธิการสวดมนต์การเดินจงกรมการทำธรรมนี้อุทิศให้ใครไม่ได้เป็นของเฉพาะตน คำถามจากคุณนัทีครับการทำพิธีรการพระอาจารย์ครับทำอย่างไรจะไม่กลัวตายครับหลวงพี่อ้อมที่เคยอยู่บนเขาฝากความระลึกถึงพระอาจารย์ครับก็ต้องเหมือนระลึกถึงความเป็นจริงของร่างกายอยู่เรื่อยว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาล่วงค้ยความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ท่องไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันจะยอมรับความจริงแล้วมันก็จะไม่กลัว คำถามจากคุณปนัดดาครับเห็นเกิดดับแล้วต้องทำอย่างไรต่อคะเห็นอะไรจะเกิดดับแล้วแต่เห็นแฟนเกิดแล้วดับเห็นเห็นแฟนดับจากเราแล้วคุณจะทําอะไรต่อล่ะคุณจะร้องไห้หรือคุณจะดีใจก็อยู่ที่คุณนีปัญหาการปฏิบัตินี้ก็คือให้เราไม่ทุกข์กับการที่เราเห็นสิ่งที่เกิดแล้วดับให้เราคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดแล้วจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา เช่นได้แฟนมาวันนี้เนี่ย ว, วันพรุ่งนี้แฟนก็อาจจะจากเราไปก็ได้เนีเรื่องนี้ก็เ ก, เกิดดับเหมือนกันหรือได้เงินมาก็ห น, นึ่งเนี่ยวพรุ่งนี้อาจจะถูกเขายึดคืนไปก็ได้ให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่เสียใจถ้าเสียใจก็แสดงว่าไม่เห็นเกิดดับจริงแต่นห็นเกิดดับจริงมันจะไม่เสียใจกับการดับของสิ่งห น, นึ่งนเพราะเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งใดในการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา คำถามจากคุณผู้ยครับสอบถามข้ามีวิธีระงับความขุนหมองใจหรือการบังคับอารมณ์ไม่ให้แปรปรวนทําได้อย่างไรคะใช้สติเนี่ยใช้พุโทโธพุโทโธพอมีอารมณ์ไม่ดีก็ท่องพุโทโธพุโทโธไปเลยท่องไปแต่ไม่ใช่ท่องคำสองคาแล้วก็หยุดนะหรือกินยาเนี่ยไม่ใช่กินเม็ดสองเม็ดแล้วก็กินปุ๊กจะให้มันแสดงผลทันทีไม่ได้มันต้องใช้เวลาดังนั้พอเมีอารมณ์ไม่ดีเราท่องไปเรื่อยๆ ท่องพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆจนกว่าใจมันจะสงบเราถึงจะหยุดท่องได้ถ้ายังไม่สงบเราก็ท่องไปเรื่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆรับประกันได้ว่าถ้าเราไม่หยุดพุดโทโธอารมณ์แปรปรวนต่างๆมันจะหายไปแต่ถ้าเราหยุดก่อนที่มันหายเราก็จะแพ้มันแสดงว่าเรากินยาน้อยไปคําถามจากคุณเจเจครับเคยนั่งสมาธิแล้วรู้สึกได้ว่ามีเลือด ก, กําลังไหลตามเส้นเลือดบนใบหน้าไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นคะ เป็นความปรุงแต่งของจิตไม่ต้อไปสนใจนะคุณการจนาครับลูกไม่ได้สมาทานศีลแต่ลูกก็รักษาศีลทุกวันผิดไหมคะไม่ผิดหลอกถูกการรักษาศีลนี่ไม่สมาทานหนงเดียวก็พอหรือตัตั้งตั้งความคิดตั้งเป้าไว้ครั้งเดียวก็พอว่าต่อไปนี้จะรักษาศีลไม่ตลอดชีวิตก็พอนะแล้วก็อยู่ที่การรักษาได้หรือไม่ได้เท่นั้นเอง คุณพรพันธ์ครับก่อนตื่นเห็นแสงสว่างอยู่ในโครงกลางหน้าอกแล้วจึงรู้สึกตัวตื่นคืออะไรเจ้าค้ะแล้วต้องปฏิบัติต่ออย่างไรเจ้าคะก็เป็นอาการของจิตที่เกิดจากการปรุงแต่งของจิตเองเป็นมายาไม่ต้องไปมีอะไรให้รู้ว่าเป็นไตรับรู้ว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับควบคุมมันกลับมันไม่ได้บางทีมันก็เกิดบางทีมันก็ไม่เกิดมันจะเกิดก็ปล่อยมันเกิดมันจะไม่เกิดก็ไม่ต้องไปไปร่องหามันปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมัน จากคุณมัสเตอร์เพลสครับรัชการขานหนูพยายามอยู่กับฐานกายรู้ตัวไปเรื่อยทั้งวันโดยไม่บริกรรมพุทโธเช่นเดียวกับเวลานั่งสมาธิก็พยายามรู้กับกายที่นั่งอยู่หายใจอยู่แต่ไม่บริกรรมได้ไหมคะหรือหนูต้องเพิ่มตรงไหนไหมคะถ้านั่งเฉยๆต้องดูลงต้องดูลงที่ปลายจมูกดูลมเข้าลงออกอย่างนั่งโดยที่ไม่มีอะไรให้เศร้าดูเวลากายเคลื่อนไหวนี่ดูการเคลื่อนไหวของกายได้แต่เวลากายนั่งเฉยๆนี่ไม่มีอะไรให้ให้ดู ว่าให้ดูลมหายใจที่เก้าออกที่ปลายหมดแทนคําถามจากคุณศินตินารีครับพระอาจารย์คะหนูท่องพุโทโธพุโทโธแล้วเห็นแขนขาตัวเองแล้วรู้สึกว่าเป็นแค่สิ่งที่ถูกเห็นไม่รู้สึกว่าเป็นแขนขาหนูหนูควรทําอย่างไรต่อไปคะก็ไม่ต้องทําอะไรก็ทําความเข้าใจว่ามันไม่ใช่จิตอะไรกันหรือว่าร่างแขนขาไม่ใช่เป็นจิตจิตไม่ใช่เป็นแขนขา จิได้สามารถที่จะไปควบคุมมังคับแขนขาให้เป็นปลายางความต้องการของจิตได้วันดีเงิน ด, ดีแขนมันอาจจะเจ็บขึ้นมาปวดขึ้นมาจิตก็อย่าไปทุกกับมันนั่นเองคำถามจากคุณอันมามองครับการบรรลุในธรรมคือการที่จิตปราศจากความกลัวทั้งปวงใช่ไหมคะถ้าจิตเรายังกลัวอะไรสักอย่างอยู่เช่นกลัวงูกลัวน้ําอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะผ่านจุดนี้ไปได้คะต้องรอพบแล้วพบเล่าหรือไม่ก็อยู่ที่ การที่มีปัญญาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายนั้นเองสิ่งที่จะมากระทบกับร่างกายนี้ไม่สามารถมาทำให้จิตเป็นอะไรไปกับร่างกายได้ดันั้นถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่กลัวเราจะไม่กลัวเวลาร่างกายตายเวลาร่างกายถูกงูกัดถูกอะไรต่างๆเพราะมันเป็นร่างกายมันไม่ใช่เป็นจิตจิตไม่ได้เป็นอะไรไปจิตไม่ได้โดนกระทำไปกับร่างกาย แต่ว่เราขาดความขาดปัญญาขาดความสามารถที่จะแยกจิตออกจากร่างกายจิตของเราเลยไปยึดไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยกลัวตายกลัวกลัวอะไรต่างๆไปแต่ถ้าเราปฏิบัติแยกกายจากแยากกายกับจิตแยกออกจากกันได้แล้วก็ใช้ปัญญาสอนจิตว่าร่างกายไม่ใช่เป็นจิตจิตไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเราไปจิตก็จะไม่มีความกลัวเวลาที่ร่างกายเกิดอะไรขึ้นมาเป็นอะไรขึ้น คำถามจะคุปรกรณ์ครับกากรน้ำพระการครับนั่งสมาธิแล้วลมหายใจหายแล้วไปตอบไม่ได้เหมือนมันตันทุกครั้งก็ถอนออกมาเหมือนไปสุดได้แค่นี้เราก็ดูดูต่อไปเนี่ยดูดูที่จุดที่เราดูลมเนี่ยแต่ดู ด, ดูดูว่ามันไม่มีอะไรให้ดูก็ดูความว่างไปดูว่าใจเราคิดหรือไม่คิดอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าใจไม่คิดก็ย่านั่งต่อบไปได้ถ้าใจคิดก็แสดงว่า ก็จะคิดว่าอยากจะออกแล้วมันก็เลยออกผพมันก็เลยถอดออกมาก็หยุดมันเวลามันจะคิดอะไรตอนที่ลมหายไปก็เหมือนกับตอนที่เราดูลมตอนที่เราดูลมเราก็ไม่ให้มันคิดพอไม่มีลมให้เราดูล้วก็ดูล้วก็ดูความคิดไปเลยก็ได้อย่าให้มันคิดหยุดความคิดให้ได้เวลามันจะคิดอะไรก็ถ้าเรามีสติตอนนั้นเราก็จะหยุดมันได้ทันทีเราก็จะนั่งต่อไปได้นาน ถามจากคุณรัชยาครับขอโอกาสเรียนถามเมื่อก่อนนั่งสมาธิ30มสิบนาทีเวทนาเกิดจนทนไม่ได้แต่พอนั่งไปเรื่อยๆเวทนาหายไปหรือเราทนได้เราควรขยายเวลานั่งสมาธิออกไปเรื่อยๆไหมคะ น, นั่งไปนานๆให้นั่งให้นานๆได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงได้ยิ่ดีเพราะการนั่งเฉยๆนี่มันเป็นประโยชน์กับจิตมันไม่ทํำให้ใจจิตใจวุ่นวายไม่ต้องไปทุกขไปเครียดกับเรื่องราวต่างๆเป็นการพักผ่อนจิตใจ จักคุณขวัญใจครับนั่งสมาธิได้สักพักแล้วรู้สึกแขนขาใหญ่บวมขึ้นควรภาวนาต่อใช่ไหมคะใช่เวลาไปสนใจมันเป็นอาการหลอกของจิตจิตปรุแต่งหลอกเราให้รู้สึกอย่างนั้นเง่งความจริงมันไม่มันไม่เกิดขึ้นทั้ร่างกายเป็นเหมือนเดิมเวลาที่เรานั่งสมาธิน่างกายไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจกคุณสวัสดีครับการพระราชการพระอาจารย์ครับนั่งสมาธิเสร็จแล้วอุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วแล้วเกิดปีติ คนลุกอยากถามพระอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรครับก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราได้ทำอะไรให้กับใครสักอย่างเวลาเราทำความดีเราก็จยากเกิดในความรู้สึกว่ามีปิติมีสุขขึ้นมาจากคุณชาเขียวครับการพนักศัการพระอาจารย์เวลาที่เจ็บป่วยผมมักจะตั้งจิตไว้นอกกายส่วนร่างกายที่เจ็บก็ปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอย่างนี้เรียกว่าการแยกกายแยกจิตไหมครับ ถ้าจิตเราไม่ทึกไม่เดือดร้อ น, นกับความเจ็บปวดของร่างกายก็ถือว่ายากได้ยากด้วยปัญญาจากคุณวิธูลครับเราทําสมาธิแล้วลมหายใจหายไปแต่ความรู้ถึงพุโทโธยังอยู่เหมือนร่างกายเราหายไปขั้นต่อไปทํำยังไงต่อครับก็ให้รู้อยู่ไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปให้นาน จากคุณพัชรินครับน้องนักศการพระอาจารย์ข่าววันพระเราถือศีลแปดเราทานอาหารมีเนื้อสัตว์ได้ไหมคะได้ศีลแปดไม่ได้ห้ามไม่ให้รับประทานเนื้อสัตว์เพียงแต่ห้ามไม่ให้ข้าสัตว์เท่านั้นเองยิ่งทาาเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานนี้ไม่ได้เกิดจากการฆ่าของเรานี่ก็ไม่ผิดศีลแปดคำถามจากคุณพักขวัลันครับหากเราไปวัดแล้วเจอลูกศิษย์วัดคนอื่นๆที่ไม่ค่อยถือศีลเท่าไหร่แต่มีพัก แบบเดียวกันมากทําให้เราอยากเลี่ยงที่จะไปวัดนั้นเราควรปรับจิตใจเราเช่นไรให้ปกติสุขดีคะก็เหมือนเราไปสถานที่สาธารณะต่างๆเราไปเลือกคนไม่ได้ขึ้นรถบัสขึ้นรถเมล์นี่เราก็ต้องเจอคนหลากหลายชนิดด้วยกันก็อย่าไปสนใจเป็นเรื่องของส่วนตัวของแต่ละบุคคลเรามีหน้าที่ขึ้นรถเพื่อพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราไปวัดก็เพื่อที่จะพาให้เราไปสวรรค์ไปนิพพานกัน เราไม่ต้องไปกัวงวลกับคนที่เขาขึ้นไปรถคันเดียวกับเราก็าจะไปไหนมันเรื่องของเขาก็จะไปนรกหรือก็จะไปอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่เราไปนี่เราไปเพื่อนั่นเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานแต่ถ้าเราคิดว่าเรามีความรู้สึกว่าท่านทำใจไม่ได้ก็ลองหาวัดใหม่ก็ได้ถ้ามีวัดที่เราสามารถเลือกได้ก็ดีแต่อย่าไปเลือกมากจนกระทั่งเดี๋ยวมันจะไม่มีวัดให้เลือกนะ ถ้าเราจู้จี้จูจจ้จี้จุกจิกันไปไม่มีวันไหนหรอกที่มันมันดีร้อยเอร์เซน์ที่ไม่มีข้อตําหนิไม่มีหรอก่นี้นก็พยายามให้มันดีข้อตําหนิให้น้อยก็แล้วกันเท่าที่เราทําได้จากคุณโจครับการแผ่เมตตากับการอุทิศส่วนบุญต่างกันอย่างไรครับการอุทิศส่วนบุญก็เป็นการแผ่เมตตาอย่างนี้เพราะเราแ บ, บ่งความสุขให้กับผู้ผู้ที่ร้องรับไปแล้ว ก็เป็นหนึ่งในวิธีของการแผ่เมตตาคือสุขที่อาจารย์งป ร, ริหาตุอให้ยสัตว์ทั้งหลายจะมีสุขรักษาตนเถิดก็คอมีความสุขคือบุญแล้วก็แบกมาให้เขาบุญที่บุญไปให้เขาก็เป็นการแผ่เมตตาครับจากคุณพัชรินครับเราปล่อยปลาดุกแล้วยังทานปลาดุกได้อีกไหมคะกราบสาธุค่ะ ท, ทาไมจะทานไม่ได้ล่ะ นอกจากเรา ป, ปล่อยปล่อยปลาโดกในในถมแล้วก็จับตัวปลาโดมนั้นขึ้นมาแค่อย่างนั้นอย่างไงก็ไม่ได้เพราเราไปฆ่ามันแต่ถ้าเราปล่อยปลาตัวนี้แล้วมันก็ไปตามแม่น้ํานําของมันแล้วไม่ไปเจอมันอีกล่ะแล้วเราไปตลาดพอดีนี่แม่ค้าก็ขายปลาหลุดที่ตายแล้วเป็นยาน่างเสร็จแล้วเราจะซื้อมากินก็กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เกี่ยวกัน คำถามสากคุณชัดชัยครับกาวนวัตสการครับหลวงพ่อขอเรียนถามว่าสัมมาสติกับสัมมาสมาธิแตกต่างกันอย่างไรครับคือสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลสมาธิคือความนิ่งของจิตจิตจะนิ่งได้ก็ต้องมีสติ ส, สติคอยควบคุมความคิดเองคอยให้สั่งให้จิตหยุดคิดพอจิตหยุดคิดได้จิตนิ่งก็เป็นสมาธิขึ้นมานั้นสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล คุณพันทรครับการนักวิชาการครับการที่คนเราถือศีลห้าแปดสิบจุดผลของปลายทางอนุภาพปฏิบัติแตกต่างกันขนาดไหนครับคือศีลนี้ก็เป็นเหมือนเกยร์รยนต์นะเกียร์รถยนต์เวลาจะขึ้นเขาเนี่ยเราก็ต้องมีเกียร์ที่ที่มีกําลังเกียร์ที่มีกําลังก็จะทําให้นู้นขึ้นเขาได้ง่ายได้เร็วกว่าเกียร์ที่ไม่มีกําลังก็จะขึ้นเขาได้ยากกว่า เช่นถ้าเราเข้าเกียร์สีขึ้นเขานี้สู้เข้าเกียร์หนึ่งไม่ได้เกียร์หนึ่งนี่มีกำลังมากกว่าทขึ้นข้าเกียร์สี่อาจจะไปไม่ถึงยอดเขาก็หมดกำลังเครื่องดับก็ได้เขาจงมีการเปลี่ยนเกียร์อยู่เรื่อยๆเวลาขับรถไปแล้วรู้สึกว่ารถไม่มีกำลังแล้วก็ต้องเปลี่ยนเกียร์ให้มาใช้เกียร์ต่ำลงไปเพื่อจะได้มีกำลังมากขึ้นศินก็เป็นเหมือนกันสินก็เป็นเหมือน ตัวที่จะสนับสนุนให้เราปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นนั่นเองสินห้านี้ก็ปฏิบัติสนับสนุนสู้สินแปไม่ได้สินแปดก็สู้สินสิบไม่ได้แค่นั้นเองความาหมายก็คือสินนี้เป็นตัวสนับสนุนการปฏิบัตินำการเจริญสมาธิการเจริญสติขอบคุณน้องครับกาพเมธสการพระอาจารย์ครับขอความกระจาร่ายอีกรอบครับเราจะทํายังไงต่อทรัพย์สินเช่นเงินและที่ดินครับผมอยากบวชตลอดชีวิตแต่อนาคตไม่แน่นอน ถ้ายกให้เขาหมดกลัวบวไม่ได้ตลอดถ้าศึกมาจะไม่มีอะไรเลี้ยงครับก็เก็บไว้เฉยๆก็ได้ฝากไว้ธนาคารเนี่อะไรก็ได้แต่อย่าไปกังวลอยู่มันอย่าให้มันมากลายเป็นอุปสรรคในช่วงที่เราปบวชอยู่ก็แล้วกันถือว่าเราตายจากมันไปช่วขามก็แล้วกันแล้วเก็บไว้เป็นที่ปลอดภัยเช่นฝากไว้ในธนาคารหรือถ้ามีมีอะไรมีเอกสารต่างๆก็ไปฝากไว้ในธนาคารไปซื้อ ไปเช่าตู้หนึ่งจะพายเก็บไว้แล้วเราก็อย่าไปยุ่งกับมันเราก็ไปภาวนาของเราไปจนกว่าเรารู้สึกเรามีความมั่นใจร้ออร์เซนว่าเราไม่ต้องเราไม่ต้องศึกแนละ้วเราก็ค่อยมาจัดการกับทรัพย์สินนี้อาจจะบริจาคให้กับวัดไปเรื้อให้กับใครที่ไราห็นว่าควรจะได้รับเงินก้อนนี้เราก็ ท, ทําไปแต่ช่วงนี้เราบวชนี้เราอย่าไปยุ่งกับมันเลยอย่าไปสนใจถ้าตื่นหุ่นไงอย่าไปสนใจ้ า, าจมันขึ้นหรือมันลงหรือเปล่าอะไรทำนอานี้ บังเงินก็อย่าไปกังวลกับดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงมันจะขึ้นมันจะลงมันจะไรก็ถือว่าช่วงนั้นมันไม่ได้เป็นเงินของของเราก็ะนั้นกันไว้มันขึ้นลงไปตามเรื่องคำถามจาคุณปรัชญาครับกาบธรรมรัชการพระอาจารย์ครับการที่เราเต็มใจเสียภาษีให้กับรัฐเพื่อให้รัฐจะได้มีเงินมาทําประโยชน์ให้กับประเทศอย่างนี้ถือว่าเป็นการทําบุญได้ไหมครับคือการทาบุญนี่มันต้องทําด้วยความที่ไม่ถูกบังคับให้ทํา ถ้าถูบงังคับไม่ทำํำมีโทษอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการทำบุญใช่ไหมถ้าเขาไม่มีโทษบางคั้เราเราจะทำํำหรือเปล่าถ้าเรายังทําอยู่อย่างนี้ถึงจะได้บุญอยากจะสนับสนุนประเทศชาติให้มีภาษีรายได้แล้วไม่มีกฎหมายบางังคั้ว่าถ้าคุณไม่ทําไม่เสียภาษีแล้วคุณจะถูกปรับหรือถูกจับไปลงโทษอย่างนี้ต้องต้องทําโดยที่ไม่มีการถูกบงังคับทางทางด้านกฎหมายหรือทางด้านไหนก็ตา่าง ถ้าเป็นการบังคับนี่ไม่ถือว่าเป็นการทำดุกต่เป็นการถูกบังคับให้ทำต้องทำด้วยใจที่เราอยากจะทำเองคำถามจากคุณทอก้อนครับนัมัธการพระอาจารย์ครับผมชอบโดนผีอำเวลาไปที่แปลกต้องแกอย่างไรครับก็แกด้วยปัญญาก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปถือว่าเป็นเป็นเป็นนิสัยของเราเป็นธรรมชาติของใจของเราที่มันมันจะเป็นอย่างนี้ก็ก็บอก่าก็ให้มันเป็นไปทันเอง อย่าไปลังเกียดมันความชุกขเกิดจากความลังเกียดไม่อยากให้มันเกิดถ้าเราปล่อยให้มันเกิดเราอยู่กับมันได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เป็นวัฒนธรรมร่างจิตใจของเราแต่อย่างไงคําถามจากคุณนัชชาครับการนัฐสระการเดินถามว่าผู้ป่วยมีโรคทางสมองเมื่อผ่าตัดแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วจําอะไรไม่ได้เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแสดงว่าดวงจิตเดิมดับไปแล้วดวงจิตดวงใหม่ในร่างใหม่ไม่ใช่สมองเดิมหรือเปล่าคะ ไม่หราจิตก็ยังเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ไปแตะต้องจิตเอเย่างใดเราไปแตะต้องที่ที่ร่างกายทั้งนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของทางร่างกายแต่มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทางจิตใจแต่อย่างใดคําถามจากคุณโยโย่ครับกยากอยากเข้าไปปฏิบัติแบบมืออาชีพแต่ยังปล่อยทางโลกได้ไม่หมดขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยครับก็ทําแบบอาชีพชั่วคราวไปก่อนสช่วงไหนที่มีวันหยุดเนื้อเรา ก, เราก็เราก็ไปอยู่วัด เราต่อไปก็เพิ่มวันไปอยู่วัดให้มากขึ้นมากขึ้นแน้วในที่สุดเราเราก็จะพร้อมที่จะไปอยู่แบบเบอร์ชีพได้ต่อไปคําถามสกุลสุดที่พงครับการอยู่กับปัจจุบันขณะที่ถูกต้องทําอย่างไรครับก็ให้อยู่กับร่างกายเนี่ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับร่างกายอย่าอย่าไปอดีตจะ่ไปอนาคตให้อยู่กับการเคลื่อนไหวหการกระทําต่างๆของร่างกายก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบัน อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับลหมหายใจเข้า ก, ก็ได้อันนี้เป็นเครื่องที่ยังนึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันนะครับจากคุณสุรีครับพยายามรักษาสีล5ห้าในวันพระแต่พอโมโหจึงพังปากพูดคำหยาบออกมาแบบนี้ผิดสีนข้อสี่ไหมคะไม่ผิดหรอกเพราะข้อสี่นี้เป็นห้าแม่พูดตดเทธานั้นเอง าจากคุณหนูเรียนครับขอตอบหน่อยค่ะตัวโยกับเพื่อไม่ต้องแก้ไขปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆใจตั้งมั่นมากๆเข้าสมาธิอ่าตัวโยกของหนูมีสิ่งบอกเหตุนั้นคือมันจุกมากสามวันติดอยู่ที่วันที่สี่หลุดหายไปตัวไม่โยก อ, ยอีกเลยสมาธิของหนูค่ะเรารับสมาธิได้ไม่เหมือนกันอยู่ที่ตั้งสติมั่นมากหรือ no เฮ้ก็ไม่เป็นไรการปฏิบัติสมาธิมันก็จะมีขึ้นๆลงๆ ก็ทำไปเรื่อยๆครั้วกันพยายามฝึกสมาฝึกสติบ่อยๆแล้วเวลานั่งพยายามอย่าให้มันโยกได้ยิ่งดีแต่บางทีมันยังโยกก็แสดงว่าตัวเราสติน้อยัยังบกพร่องอยู่ในช่วงนั้นก็พยายามพยายามเสริมสติให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปนั่งจะไม่โยกคุณน้อยชุติมาครับการวัฒการคาลูกสาวสี่ขวบชอบสวดมนต์ก่อนนอนแต่ชอบนั่งไม่เรียบร้อยบางทีก็นอนสวดแบบนี้บาปไหมคะ ก็เป็นเรื่องของเด็กไม่บาปหรอกเด็กยังไม่รู้เนียงสาอะไก็ปล่อยเขาทําไปตามตามตามอัธยาศัยของเขาแถ้าสอนก็ได้บอกก็ได้ก็ควรจะบอกเขานั่งดีกว่านะนั่งกห้เรียบร้อยสวยงามหนูจะได้เป็นนางฟ้าเป็นนางเทวดาอะไรก็มีอุบายอะไรก็พูดได้ให้เขาฟังไปแต่ถ้าเขายังไม่ยอมแต่ก็ยังสวดอยู่ก็ปล่อยว่าสวดยิ่งกว่ห้ามไม่ให้เขาสวด คำถามจากคุณวริยาครับธรรมสการ์ค่ะเวลานั่งสมาธิจิตมันฟุ้งพยายามดึงมาดูที่ลมหายใจมันก็คิดอีกจะแก้อย่างไรคะก็ต้องหยุดความคิดก่อนที่จะมานั่งนะพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆก่อนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพยาาให้มันคิดเลยพุทโธพุทโธไปบังคับให้มันอยู่กับพุทโธแล้วบังคับให้มันอยู่กับงาที่เราทำอาบน้ําก็ให้มันอยู่กับการอาบน้ําล้างหน้าแปลงปันก็ให้มันอยู่กับล้างหน้าแปลงฟันไปถูกอย่างนี้ไป ก่อมานั่งดูลมมันก็จะไม่เป็นไหนมันก็จะอยู่อยู่ขับลมได้จากกุฎแองเจิลครับคําถามค่ะพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิจะเหมือนมีอะไรไกลจากหน้าผากไกลไปตามร่างกายบางทีรู้สึกเหมือนท่อใหญ่ลงจงกลางหัวและมีพลังไหลไปทั่วกายและนิ่งมากเวลานั่งและรู้สึกมันไหลไปทางร่างกายมันคืออะไรคะพลังงานบุญหรือเปล่าคะมันไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องของจิตใจเป็นอาการของจิตใจไม่ต้องไปสนใจ ให้เรามีสติอยู่กับการดูลงเละมีสติอยู่การพูดโทไปอย่างเดียวเพราะผลต่อไปก็คือจิตมันจะว่างจะนิ่งจะสงบถ้าเราไม่มีสติมันก็จะติดอยู่กับสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ดั้นอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิ คำถามจากคุณชละทรครับน้องการาบน้อสกการเจ้าคะ่ะลูกเดินจงกรมพร้อมกับคําบริกรรมจนเกิดการเห็นจากภายในเสมือนวิตาอยู่ในทุกอนูเป็นสภาวะอะไรหรือเจ้าคะมันไม่มีสภาวะอะไรหรอกว่ามันเป็นสภาวะที่เราเป็นนะมันไม่มีชื่อนจะคือพูดง่ายๆก็คือมีสติมากขึ้นนั่นเองถ้าเห็นอะไรได้ก็แสดงว่ามีสติมากขึ้นจากคุณเบลครับการน้อมสักการเจ้าคะ่ะ ช่วงวิกฤตนี้ไม่ค่อยได้ใส่บาตรแต่หันว่าสวดมนต์ทุกคืนแค่นี้ถือว่าทําบุญพอหรือไม่คะหรือควรต้องทําสิ่งใดเพิ่มดีคะการสวดมนต์ก็เป็นบุญแบบหนึง่งการใส่บาตรและการทําทานก็เป็นบุญอีกแบบหนึง่งดังนั้นก็มันไม่แทนกันมันเป็นมันอ น, นิสงส์มันได้ไม่เหมือนกันถามว่าถ้าไม่มีเงินใส่บาตรไม่มีเวลาใส่บาตรสวดมนต์อย่างเดียวได้ไหมได้นะแล้วก็การมด บุญที่ได้าจากการสวดบุญนี่จะจะมากกว่าบุญที่จะไดจากการใส่บาตททำทานจะได้วยซับไปเพราะเป็นการจเจริญสติกเพื่อฝึกให้จิตเข้าสมาธิ่อไปการใส่บาตก็เป็นการสร้างทรัพย์ภายในให้กับเราเวลาที่เราตายไปเราก็จะมีไไทรัพย์ภายในติดตัวไปเรื่องนี้ก็แล้วแต่ว่าเราต้องการอะไร กลับมาชาติหน้าถ้าเราทําบุญไว้เท่าไหร่มันก็จะกลับมาหาเราเท่านั้นบวกดอกเบีย้ยทําบุญร้านหนึ่งกลับมาชาติหน้าก็จะมีเงินล้านบวกดอกเบีย้ยกลับมารอรับเราถ้าเราไม่ได้ทําบุญใดไม่ได้ทําทานใดกลับมาก็จะไม่มีเงินดอรอรับเลยจากแม่ชีรูปารมณ์ครับนักสการ่ะถามเรื่องบทบาทของพุทธบริษัทสมัยพุทธกาลและสมัยปัจจุบันค่ะก็เหมือนกันพุทธบริษัทก็มีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติบรุณธรรม แล้วก็เผยแผ่ทำไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่อยู่ที่ว่าจะทําได้หรือไม่ทําไม่ได้เท่านั้นเองสบายนี้รู้สึกจะจะได้ทางด้านศึกษาปฏิบัติทํากันหรือถ้าปฏิบัติการปฏิบัติส่วนส่วนง่ายคือทํำทาทำนทาบุญเงินเยอะนะเรื่องการรักษาศีลเรื่องการภาวนานี้จะรู้สึกว่าจะมีน้อยมากต่างกับสมัยพระพุทธกาลสมัยพระพุทธกาลนี้จะมีการศึกษามีการปฏิบัติมากกว่า ก็มีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าค่อยอค่อยสอนอยู่เรื่อยๆนั่นเองสมัยนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่มีมพระอรหันต์ก็มีน้อยก็มีพระที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์มาค่อยสอนก็เลยสอนกันไปคนละเรื่องกันสอนให้ไปทำบุญทำทานกั น, กนซะส่วนใหญ่สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ JD, สร้างอะไรกันไปไม่ได้สอนให้ศึกษาให้ปฏิบัติกันคําถามจะคุณธันอยู่ครับก่อนนั่งสมาธิต้องเดินจงกรมก่อนใช่ไหมครับ ไม่ต้องหอ ย, อยู่ที่ว่าเราจะเดินหรือไม่เดินนี้ขึ้นตามความเหมาะสมตามความต้องการของเราถ้านั่งเรามันจะหลับก็เดินจงกรมก่อนก็ได้ถ้านั่งแล้วจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็เดินจงกรมก่อนเพื่อให้มีสติมากขึ้นแล้วค่อยมานั่งก็ได้จากคุณวีนาครับกาบเรียนขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าเราจะทํายังไงใ ห, ให้ออกจากสมาธิแล้วไม่เกิดความอยากอีกลดละเลิกในโลกนี้อีกคะการาบขอพระคุณพระอาจารย์ค่ะ ก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เทียมได้อะไรมาแล้วถึงแม้ตอนต้นจะเป็นสุขแต่พอมันกลายไปมันเปลีป่ยนไปหรือมันหลดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้พิจารณาอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอยาก่างที่เราอยากได้นี่มันจะทําให้เราทุกข์ต่อไปตอนต้นได้มาก็มีความสุขที่อยากได้แฟนพอเวลาแต่งงานกันใหม่ๆก็มีความสุขแล้วพออยู่ไปด้วยกันไม่นานเนี่ยแฟนเปลี่ยนไป จยากดีกลายเป็นร้ายไปความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาให้พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆที่เราได้มาว่ามันจะต้องเปลี่ยนมันจะต้องเสื่อมคุณภาพเสริมคุณสมบัติหรือมันจะหมดสิ้นไปถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ไม่อยากได้อะไรเพราะเท่ากับการได้ได้ความทุกข์มานั่นเองครับท่านคุณเจนเลคครับกาลรัตวสกา ร, การเจ้าขาขอเรียนถามค่ะก่อนนอนเปิดเทปฟังธรรม แล้วนอนหลับไปเลยได้ไหมคะได้ไม่มีข้อห้ามเลยแต่ว่ามันก็เป็นเป็นเหมือนยานอนหลับท่านเองไม่ได้รับประโยชน์ทางธรรมหรือทางธรรมแล้วก็ไม่รู้เรื่อ ง, งทางธรรมแล้วก็หลับไปจากคุณพาวีครับกาลธรรมสการ์ารพระอาจารย์ค่ะถ้าซื้ออาหารทําบุญใส่บาตรทุกวันพระโดยที่เราออกเงินกันคนละครึ่งเวลาที่เราตายไปเราจะได้รับอาหารจากการทําบุญนี้อย่างไรคะหรือได้รับกันคนละครึ่งคะก็ได้คนละครึ่ง คุณเบนจะครับเวลานั่งเจริญสติทําไมมีเรื่องคิดตลอดเรื่องนูน่นเรื่องนี้เข้ามากําหนดลมหายใจทันบ้างไม่ทันบ้างแต่เวลาออกจากการนั่งเจริญสติกลับไม่มีเรื่องคิดเลยเจ้าค่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องมีแันถ้ามันเคยคิดมันอยู่ดีๆมันจะไม่คิดมันคงอยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราจะไม่รู้เสึกว่าเราําลังคิดก็ได้พราะตอนที่เรานั่งสมาธิเราต้องคอยควบคุม่อนคอยความคิดคอยดูมันก็เลยเห็นว่ามันคิดมาก เราออกจากสมาธิมาพอเราไม่ต้องคอยควบคุมความคิดเราก็ปล่อยมันคิดโดยที่เราไม่รู้สึกตัวว่ามันคิดข็ได้คําถามจากคุณพองครับคุณตองครับการเกิดมันยากแต่ทําไมทุกวันนี้คนมันเยอะขึ้นครับกลับเรียนครับความเปรียบเทียบกับการเกิดเป็นสัตว์เนราชาเนี่ยมันยังน้อยมากมนุษย์มนุษย์ในโลกนี้กับจํานวนของสัตว์เนราชาเนี่มันต่างกันหลายหลายล้านเท่าเลยกัน การมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันยากกว่าการเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานแต่มันจะมีเพิ่มมาก้ก็ตา่างแต่จํานวนมันก็ยังถือว่าน้อยอยู่เมื่อเปรียบ เ, เทียบกับจํานวนของสัตว์เดรัจฉานาที่มีในโลกนี้จากรุณเดกิ้งกิ้งครับกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการเอาจีวรและพร ะ, พระสงฆ์มาซักหลวงพ่อเป็นพ่อตัวเองพอท่านแก่แล้วอายุ89แล้วท่านจะอาบัติไหมคะโยมจำบัตไหมคะ มันไม่บาปหอกเพียงแต่ว่าถ้าเป็นปกติแล้วสภาพสติมักจะไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของพระไม่อยากให้ใกล้ชิดกันเกินไปเท่านั้นเองเพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้เป็นอะไรกันก็อาจจะทําให้เกิดมีไฟกามาหลอมเกิดขึ้นได้เวลาที่อยู่ใกล้ชิดกันบ่อยๆเราถึงไม่นิยมที่จะให้ผู้หญิงนี่ไปปฏิบัติปณิบธรรมนอง ไม่ให้ไปกวาดถุประติไม่ให้ไปล้างบาทไม่ให้ไปทําอะไรให้กับพระเพราะทอยู่ใกล้ใกล้เดนียวมันึ่งพระท่านจะเกิดไฟการอารมณ์ขึ้นมาได้มันจะทําไปทำมาพระท่านจะขาดศึกไปได้เพื่อป้องกันพระไม่ให้ไปเสร็จก็ถึงห้ามก็ถึงไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระคําถามสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับสองสาทุ่มึ่งพอดีคุณเล็กครับ การรัการพระอาจารย์ค่ะทํายังไงให้มีความสุขเนื่องจากคุณพ่อเสีย12ปีแล้วแต่เรารู้สึกโทษตัวเองตอนท่านมีชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้อยู่ดูแลไปอยู่แดนไกลค่ะก็อย่าไปคิดถึงอดีตเลยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วเอามาเป็นบทเรียนสอนแล้วว่าต่อไปเราก็อย่าทําอย่างนี้อีกแล้วกันตอนนี้เราดูแลใครได้ช่วยเหลือใครได้ก็ทําไปดีกว่าที่จะมาเสียใจในภายหลัเพราว่าเอามาเป็นบทเรียนสอนใจเราให้ทําสิ่งที่ถูกต้องต่อไป ส่วนที่มันตายไปแล้วเราก็กลับไปแก้กันไม่ได้อาจารย์ขอบพระคุณครับอาจารย์ครั บ, บ, รบผมขอโอกาสเรียนวันนี้มีคนฟังเกินสองพันครับจาก facebook นี้อัดแต่รวมรวมสองพันหนึ่งร้ยสิบกคนครับอาจารย์ครับวันนี้โอเคดีมากดีใจยินดีที่ได้มีประโยชน์ให้กับคนเยอะแยะอย่างนี้ครับเรหวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขและได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมนี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณารักไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุขอลาคุณหมอและท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้ากับขอบคุณอาจารย์ครับ